อาจารย์ครับกลาวนมรดกการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับกลับมาแล้วครับตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ได้เหมือนเดิมแล้วครับผมอืวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่สองร้อยสามสิบสามแล้วนะครับพระอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการขออนุญาตครับพระอาจารย์เมื่อเช้าพระอาจารย์มีตาบาดคนเยอะไหมครับประมาณสี่ร้อยสามสิบเจ็ดนะอโอแล้วอาทิตย์ที่แล้วล่ะครับพระอาจารย์ อาทิตย์แล้วร้อยกว่าหกร้อยกว่าที่สลายเต็มเลยใช่ไหมครับอาจารย์อ่ถาถ้าตอนบ่ายก็มาทำทำที่นักปบติเกือบสี่ร้อยโอ้โหัอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคัมอสามรอยแปดสิบกว่าวันนี้สองร้อยวันนี้สองร้อยสามเพ่องครับครับเค้กเ <c oughs> ต็มเลยสิครับอาจารย์เแต่เค้กเต็ม อาทิตย์ที่แล้วก็แจกหมดแล้วไม่ได้กินเลยอา <_ d ata> จารย์ก็กินเท่าเดิ ม, มเท่าเดิมกินท้องเดียวปากเดีวครับอาหารเยอะมากมแต่ลูกศิษย์ดได้กินอร่อยกันหลายคนครับอาจารย์ครับก็งานยากคนจนก็มาเรื่างแถวแั้วปกครองที่ยัดได้อยูงเปนลำบากครับผม อาจารย์ครับวันนี้คําถามแรกตั้งเรื่องฌานเรื่องยานกับการบรรลุธรรมครับอาจารย์เพราะว่ามีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะพอสมควรครับเลยกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์นะครับผมคำ ว, ว่ายานานี้แปลคำเป็นความอย่างรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจอย่างรู้ว่าทุกได้ดับแล้วอย่างนี้เรียกว่ า, าเป็นยานอย่างรู้ว่าสัมโยตัวนี้ได้หมดได้หลุดไปแล้ว อ, อย่งเรียกเป็นการอย่างรู้ ถ้าถึงขั้นสมงสุดเ็อย่างรู้ว่าความทุกข์สลายที่มีในใจหายไปหมดแล้ววิบุติยาณทัตสนะจิตได้ลดทนจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงเลวิบุติยาณทัศนาแปลว่าการอย่างรู้ของใจเหมือนกับเวลาที่คนไข้ไม่สบายแล้วหายจากโรคโรคหายไข้เจ็บคนไข้จะรู้สึก ในตัวคนไข้่องว่าตอนนี้ผมหาแล้วไม่ต้กินยาแล้วไม่ต้องมารักษาแล้วกลับบ้านได้แล้วนี่คือญาตคือการยังรู้อันนี้ของส่วนใหญ่คงหมายถึงยังรู้สิ่งที่เกิดขึ้นไปในใจโดยเฉพาทุกสมุทัยที่รนมมุนแรงอย่างรู้ในอริยสัจสี่ส่วนฌานนี้คือความสงบของใจทึ่งแบ่งเป็น ขั้นต่างๆมี8ดขั้นด้วยกันนี่ว่ามีชา้หนึ่งถึงชั้นแปดงเป็นสองระดับระดับรูปประชานครารูปประชานรูปประชานมีสีรูปประชานมีสรวมกันก็เป็น8คือความสงบที่มากขึ้นมากขึ้นจากขั้นที่หนึ่งสู่ขั้นที่สองความสงบก็เพิมากขึ้นขั้นที่สองสู่ขั้นที่สามความสงบก็เพิมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่แปด รูปฌานสี่ความสะบที่สูงสุดของจิตนะครับก็มีแค่นี้ฌานก็คือสมาธิฌานที่เราต้องการในการปฏิบัติทำเพื่อให้จิตสามารถต่อสู้กับเกี่ยได้ก็ฌานสี่รูปฌานสี่รูปฌานสี่นี่คือจิตรวมเราเรียกว่าสมปัญนาสมาธิ รวมวาตั้งอยู่ในาในานไม่ว่าปณาสมาธิถ้ารวมน่าตั้งอยู่ในช่วงช่วงขณะหนึ่งไม่ว่าุเรียกว่าคณนิกาสมาธิคือช่วงขณะหนึ่งแบบวงแรกเล่นหรือฟ้าแรกอันนี้จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆนั่นงสมาธิแล้วเจ็ดรลมเป็นครั้งแรกนี้จะลมได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาเพราะกาลังสติมียังมีไม่มากที่จะ รักษาสมาธิการรวมของจิตให้อยู่ได้นานแต่พอมาปฏิบัติต่อเพิ่มเิ่มกำลังสติเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปเวลาจิตรามไม่จะรวมได้นานขึ้นาดาดนานขึ้นไปจากเชื่อขนาดหนึ่งอาจจะเป็น5นาที10นาที20นาที30นาทีอันนี้ข่อนของกำลังของสติที่เราต้องคอยเจริญระหว่างวัน เป็นช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ยังต้องเจริญสติอยู่มันใช้คำเป็นคำพูดโทษร์น ก, ก็ได้มันจะใช้การผูกใจให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาก็ได้ในกิจกรรมต่างๆที่ร่างกายของเราทำอยู่อันนี้เป็นการเจริญสติแล้ว่ามีสติมา น, นั่งสมาธิจิตก็จะหลงเข้าสู่ฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ตามลำดับมันลนลงที่เราวิ่งเปลี่ยนเกลีย ตอนที่เราเออกรถนะแล้วเข้าเกียร์หนึ่งก่อนนะแล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์สองสมัยนี้คนขับรถเกียร์ออโต้าจจะไม่รู้ว่าสมัยก่อนนี่เขาจะต้องเปลี่ยนเกียร์กันเองครับเข้าเกียร์หนึ่งแล้วพอรถวิ่งได้ก็เป็ความเร็วพอก็จะเปลี่ยนเข้าเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ไปสัยที่นี้คือชารคือความสมบูรณ์แบบเนี่ยขั้นตอนก็รูปของชารหนึ่งอันนี้ต้องไปอา่านคุณสมบัติที่มีใน ในตํานานมีวิตรวิจารณ์มีปิติพิสุขถ้าไม่เห็นท่านถ้าจำาไม่เห็นถ้าจําไม่ได้นะวิตกวิจารก็คือการตึกตรองวิตรวติจารแปลว่าตรอมตึกตรอมอยู่กับเราอยูกับพุทโธถ้าเราใช้พุทโธแล้วก็ตึกตรอมอยู่พุทโธไม่ได้ไปยินเลือดเลยถ้าเราดูความหมายใช่แล้วก็ตึกตรองอยู่ในเรื่องลมข้าวลมหลอนี่เรียกว่าตึกตรอม พอตัดตองไปใจก็จะเบาลงสุขก็จะเกิดขึ้นปิติก็จะเกิดขึ้นมาถ้าเดียวมันก็ลงไปแล้ก่อนนั้นตัดตอนก็หายไปกลายเป็นอุเบกขาขึ้นมาในในชานขั้นที่สี่อันนี้นก็เลยแต่อุเบกขาตัวเดียวยิน้อมสักแต่ว่าเราเป็นอย่างไอ้ากตาลงมีตัวรู้อยู่ตามลำพังนอยู่กับความว่างอันนี้คือชานที่สี่ เป็นานที่จะสนับสนุนการเัริญวิปัสนาเพราะเป็นเป็นชานที่ให้กําลังใจให้ต่อสู้กับความอยากได้ป็นฌานที่สี่นี้มีความสุขแล้วก็มีความนิ่งสามารถต้านแรงกระแทกของความอยากได้เวลาไม่ใจไม่โวยวายขานี้ความอยากเกิดขึ้นไม่ได้ เราต้องาศัยฌานสีนี้มาสนับสนุนเวลาเราพิจารณาความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากฉะันอยากไม่เจ็บแค่ได้ป่วเพราะเจอเข้าไปแคเจ็บขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาทุกกายเราไม่ปล่อยมาทุกข์ใจด้วยแต่เราสามารถดับความทุกข์ใจได้ถ้าเราพิจารณาว่าธรรมชาติของร่างกายมันต้องเจ็บอย่างนั้นมันต้องยอมเจ็บอย่าไปฝืนอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บนะ การที่ยังไม่อยากให้มันเจ็บนะว่าเราไม่อเอาเบกขาทําใจให้เฉยๆไว้อยู่กับอยู่กับโรคภายไข้เจ็บไปอยู่ความเจ็บกายไปแต่ใจยังไม่เจ็บเพราะใจไม่ได้สร้างความทุกข์ขึ้นมาจากความอยากไม่เจ็บเป็นต้นอันนี้คือหน้าที่ของฌานสนับสนุนปัญญาเวลาที่จะทุกทุกที่เกิดจากความแก่ก็ดีจะกความเจ็บไข้กดีจากความตายก็ดี จากการพลาดพลาจากการสูญเสียสิ่งที่เราลากไปก็ดีถ้าเราพิจารณาว่ามันเป็นธรรมนาทุกสย่งทุอยากเป็นของไม่เทียมมีมามีไปเราสูญเสียคนลากไปเราก็เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็สอนใจว่ามันทําอะไรไม่ได้ไปทุกข์ไปไม่ไปเปลีป่ยนแปลงความจริงไปทุกข์ไปเศร้าสศกเสียใจเ ข, เขาก็ไปอยู่ดีเขา้าไม่กลับมาแล้ว งนถ้าไม่อยากจะเศร้าโศกเสียใจก็อยอมรับความจริงด้วยการตั้งใจให้อยู่ในเบญขาให้ว่างใช้ให้สัจธรรมโลภพอใจสัจธรรมลภไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เศร้าสุกเสียใจกับการท้าทายอยากกันตนน้นอันนี้คือต้องมีสออย่างมีทั้งปัญญาเห็นตายแล้วเห็นว่าทุกสิ่งที่อยากในโลกนี้เป็นของไม่เทีย่ยว ไม่ใช่เป็นของเราที่ที่แท้จริงเป็นของช่วอขาดัปนของเราเชื่วา่าดวันหนึ่งเรต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้ารายเรา เ, เรายอมน้ำแต่ใจยังทุกอยู่แสดงว่าเราไม่มีอุเบกขาความอยากยังทํางานยังยังอยากอยให้สิ่งต่างๆที่เราเล่เราชอบอยู่กับเราไปต่อตอนที่เราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วมันเป็นอนินจจามันอนัตตาแต่ถ้าใจไม่ืีอุเบกขาความอยากมันยัง มันยังมันยังต่อต้านอยู่ยัต่อสู้อยู่ยังอยากจให้ไม่ให้เกิดขึ้นไม่อยากให้จะทา้าจากกันถ้ามีอุเบกขาเราเห็นได้ปัญญามันต้องพัดร่างจากกันเมื่อกิดขึ้นแล้วมันจาคุณตายไปนี่เอากับเอาเขา้ากลับคืนมาไม่ได้นะสร้าบส่เสียใจมันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำร้ายสร้างความทุกข์ให้กับใจเราใช่ คนนี้มีปัญญามีวิบามีฌานสี่ก็จะวางเฉยได้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทุกอย่างที่เกิดมีดับเป็นธรรมดาอย่างที่พระสุวรรบันได้เป็นมาจารว่สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่ามีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นความจริงว่มีเกิดมีดับใจก็ยอมรับใจไม่ต่อต้านใจไม่ไม่ชข์กับมันเพราะไม่มีความอยาก เมื่ออยากมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงความจริงทังนี้คือชานครับเพราะละความอยากได้เพราะภาพทุกข์หายไปได้ก็เกิดยานะฮะตอนนี้เราไม่ทุกข์แล้วเราไม่ทุกข์กับการเสรูญเสียกับการหนาา้าทากอยากสิ่งที่เรารักเราชอบพรเราเห็นได้ปัญญาว่ามันต้องอากกันเป็นธรรมนาแล้วเราก็ยอมรับเรื่องเบ็าความเฉยใจก็ไม่ทุกข์ ก็มีท่านนี้ง่ายๆสองอย่างนี้ชายกับยานเรงมีปัญญาให้เห็นแต่เห็นตายแล้วมันมีชาตสนับสนุนให้ใจวางเฉยเพรอวางเฉยได้ทุกดับไปยานก็นอยาทกทราบนะตอนนี้ทุกดับแล้วเมื่อก่อนเคยเล่าของน้องให้ท้าวศุภชีวใจเดี๋ยวนี้เฉยๆเพิ่จะเล่าไปถวายเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดา ครับอาจารย์อาจารย์ครับแล้วคนที่เข้าฌานได้นานๆที่บางคนบอกว่านั่งไปหลายๆวันนี้เป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ก็ ม, มีมีข่าวข่าวอยู่มือศีอย่างเข้าที่ได้เจ็ดวันสิบห้าวันแต่ก็ต้องออกมาในที่สุดเพราะร่างกายต้องการรับการเยียวยาด้วยนครับร่างกายต้องขับถ่ายร่างกายต้องอะไรแต่ฌานอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ดับความทุกข์ได้นับได้เฉพาะเวลาเข้าฌาน พอที่อยู่ในฌานนี้จิตเน่งสําหรับความอยากเกิดขึ้นไม่ได้พอความอยากเกิดขึ้นไม่ได้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่พอออกจากฌานมาปับ๊บเนี่ยเอาไปเห็นโลกแสงกิตแล้วไปคิดถึงหน้ากายขึ้นมาคิดถึงความแก่เจ็บตายขึ้นมาความอยากก็จะผุดขึ้นมาทันทียุคนั้นได้มีใครรู้วิธีดับความทุกข์ใจเวลาออกจากฌานว่าทำไมเวลาเอามาจากฌานแล้วทุกข์ยังมีอยู่ เขาบอกฌานเป็นอินทับยากอ็นทับกิเลสทับความอยากไว้ถ้าไม่ความอยากไม่สามารถทํางานได้ความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นแต่พอออกจากฌานมาเริ่มคิดเริ่มปุงแต่งเริ่มเห็นความแก่เจ็บตาขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีใครรู้วิธีจับความทุกใจเวลาที่ไม่ได้อยู่ในฌานนะพระพุทธเจ้าเลยต้องไปทดลองคุยค้าหาความจริงอยู่ นี่แสดงว่าคนเพราว่าทุกใจก็จากความอย่างไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ก็หยุดได้เพราะคนที่มีฌานแล้วพอรู้ว่าต้องวางเฉยต้องยอมรับอย่าไปอยากมันก็มันก็หยุดความอยากได้แต่พวกเรานี่เรายังไม่ฝึกสมาธิกันยังไม่มีฌานรู้อธิยศาสตร์สี่วันที่พระเจ้าลุงแนะนำตามทําตามไม่ได้ใจยังยังอยากอยู่ยังอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราต้องมาหยู่คํามอยากนี้ให้ได้ด้วยอุเบกขาด้วยฌานซึมต่อไปําเราหยุดต่อไปพอเราหยุดคํามอยากนี้ได้ความทุกข์หายไปญาณก็ปรากฏขึ้นมาญาณก็อย่างทราบว่าโอตอนนี้เราไม่ทุกกับเรื่องการความแก่ความเจ็บความตายนะการญาณกลางรู้ว่าอ่อนนี่คือสวดาบันนะนี่คือการญาณญาณ น, นี่คือว่าคําว่าญาณ คือการรย่งู้อาจารย์ครับแล้วคนที่ไม่มีฌานมีญานนี้แต่ไปอวดว่าว่ามีฌานมียาณ น, นี้เป็นอาบัตรแรงเลยนะครับอาจารย์ครับแเก็ไม่รู้สิเขคิดว่าเขาเขาบรรลุแล้วเพราะเขาบรรล้ในความคิดเนี้ยมันก็หนอนเนีย่ยจบมอมาแล้รักษาพยาบาลวิธีนี้วิธีนี้นทุกหมดเดียนมาแล้วเนี่ยเวลาไปเจอคนไข้เนี่บางทีก็งงมีเคสที่มัน ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยไม่มีประสบะการณ์มันก็อาจจะรักษามไม่หายก็ได้แต่ถ้าไปผลงานกับแพทย์ผู้ชนานาญก่อนแล้วไปเจอกับภาวะความเป็นจริงของของโรคภัยซึ่งมันอาจจะซับซ้อนกว่าจากที่เราเรียนมาในทฤษฎีก็ได้อันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ที่สามารถที่จะรักษาคนไข้ให้เป็นปกติได้ท่านใดเราก็ต้องมีประสบะการณ์ ถ้ายังไม่เจอทุกข์เราจะไม่ทู้ระดับทุกข์ได้อย่างไรใช่ไหมหลวงคุณบอกน่าคิดาเออนู้ น, นะทุกข์เกิดจากความอยางไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ไปนี้เราจะต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายก็พูดได้เดี๋ยวไม่เจอโรคอะไรขึ้นมาเถิดเรื่องใ จ, ใ, จใจจะจะทุกขรืไม่ทุกข์นั้วต้องต้องเจอทุกข์แล้วพอเจอทุกข์แล้วเราสามารถใช้ปัญญากับ กับฌานนะหยุดครั้มต้นเหตุของความทุกข์ได้ก็คือความอยากไม่ไม่ตายความอยากไม่เจ็บไม่อยากเป็นโลกมนเรเองถ้าเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ใจก็หายทุกอยู่กับโลกมนต์เงได้ตายกบตายทั้งโลกมนต์เองได้แต่ใจไม่ทุกข์กันใจ ย, ยอมเนาะอันนี้ตอนนี้พวกเรามีมีปัญญาที่เราเรียกว่าสุตตะกับจินตา สุดต่งก็คือปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าในว่าสุตมะยปัญญาำทำธรรมบ่อยๆอริยาาสัจสี่นี่มาจากพุทเจ้านะแล้วก็เราก็มาตายตึงตายตอนกุศนอยู่เนืง่งๆอย่ า, างนี้ถ้าเราเข้าใจโอถ้าไม่อยากจะทุกข์ต้องยอมเจ็บต้องยอมตายยอมเป็นมันเร็ยอมเป็นอะไรอไม่ต่อต้านยอมนั่งมันออถ้ายอมได้จริงๆมันก็จะไม่ทุกข์ อาจจะยอมได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้จังหวะจะเจอของจริงครับใช้ครับจเจอโรคจริงจริงแล้วถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงนําได้ไหมถ้ามีโบเบกฐานนับประกั น, น, นได้านับได้ถ้าไม่มีใบเบกฐานนับประกันได้นับไม่ได้ครับกล่าวกับว่าคุณพดัดานครับตอนนี้ก็าทำข้อสอบไปก่อนนะครับ อย่างม่าเจอของจงริงทำกันไา้ไหมก่อนทำไมทํำก็สองคลับเจองกันบ้างถ้าอยากจะเจอของจริงก็น้องนั่งให้มันเจ็บแล้วอย่าไปขยามันสมมุตินี่คือความเจ็บจากอรอบมะเร็งครับทำนเ่นซึงเราอยู่กับมันได้หรือเปล่าไม่ทุกกับมันได้ไหม อ, อันนี้ก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่นนาานงเวลาเจ็บไข้ได้ปวดเราจะน ไ, ไม่ต้องพึ่งยาพึ่งยาแก้ปวดต่างๆเพราะเรามีคำว่าโอสุทธ ที่ทำให้ใจเราไม่ทุกกับความป่วยของหน้างกายได้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนไม่ส่วน์สำหรับเรื่องของเวทนาคือมันในโลกภยัยมีความเจ็บกับความตายสองอย่างที่เราจะต้องผ่านทําให้ผ่านความเจ็บก็ลองนั่งให้มันเจ็บไปนั่ง เ, เ, เป็นชั่วโมงช่ๆไปเจ็บก็ไม่ขยับใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางคิดว่านี่คือความเจ็บจากโลกภายแค่เจ็บพอผ่านได้แล้วก็ผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วข้อสอง ที่ข้อสองกรคือความตายความตายก็น่าไปอยู่ที่มันน่ากลัวดเลยที่มีภยยัยอันตรายต่างๆเกิดขึ้นมาที่ใจมาทําให้เราตายได้ยทา่ไอยู่ในป่าเปลี่ยวคนเดียวอย่างนี้นะครับหรือว่าเวลาได้ยินเสียงเสียงกำ ล, งลังเน้ะใจเราเป็นยังไงเฉยหรือว่าสาั่นขึ้นมาถ้าสั่นจะแสดงว่าไม่มีอะไรค่ไม่ยอมยังไม่ยอมตาย ถ้าไม่สั่นเฉยอะถึงเวลาจะตายก็ยอมก็เกิดขึ้นมาแกิดมาแล้ต้องตายเป็นธรรมดาใจก็เฉยนี่มีควเบิขามีปัญญาเรียกมม็มีภาวนาเมื่อปัญญาก็รู้ว่าตอนไหนผ่านยานอย่างทราบไม่ไม่กลัวตายนะไม่กลัวเจ็บนะผ่านมานะดสองอย่างาาทั้งคามเจ็บทั้งครับตายก็ผ่านมาไนดะ้ครับ เครื่องบินตกหลุมอากาศยังยังมีใจสั่นอยู่ครับอาจารย์ครับจะได้ว่ายังไม่ผ่านครับก็ไม่ผ่านแต่แต่แต่รู้สึกว่าพอเจอเหตุการณ์แล้วพุทโธพุทโธมันหายไปอยู่ในพุทโธได้ได้เป็นผักครับอาจารย์พุทโธก็พยายามทำให้ใจเราเป็นอุเบกขาเนี่ยคำในการพุทโธเนี้คือสติสติก็จะให้ใจเข้าไปให้ให้นิ่งให้เฉยให้เป็นอุเบกขาได้มาครับ เวลานั่งสมาธิเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธดึงใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นฌานขึ้นมาครับอย่างได้สังเกตวา่ามันต่างกันอยู่ครับถ้าพุโทโธเมื่อไหร่มันจะหายไปครับความใจสัน่นความกลัวมันหายไปอยู่พักนึงครับพอเผยออกมาจากพุทโธก็รู้สึกกลัวอีกครับก็แสดงว่าเราเรามีบางส่วนมีปัญญาแล้วก็มีสมาธิในระดับหนึ่นงแต่ยังไม่เต็มร้อย ก็พยายามฝึกสมาธิให้มากขึกสมาธิให้จิตดวงให้ได้ให้แน่นใจโ อ, อกาสครับอาจารย์มีเพื่อนถามมาบอกว่าจะกคุณฝนนะครับถ้าอยู่ในระดับฌานสามมีสุขเอกขตาใช้เวลานานัหมถึงจะไปถึงอุเบกขาเอกขตาได้ครับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนจะเลียนข้าลงไปสี่เลยก็มีบางคนนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธแป๊หนึ่ง เด้งลงจากเหมือนกระโดจากที่สูงลงไปนิ่งสมบช่วยหน่อยก็มีมันก็ลดเป็นเป็นขั้นขั้นแต่ละขั้นจะสั้นจะยาวก็อยู่ของกําลังของสติในช่วงนั้นถ้าสตินี้มันก็จะลงแล้วมันก็จะเลื่อนลงไปแล้วแต่ถ้าสติดไม่ค่อยดีมันก็จะติดอยู่นานหน่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้แต่ในคนคนเดอยวกันนั่นปฏิบัติแต่ละขั้นบองท่านก็ไม่เหมือนกันบางขัลงพูดพลาดก็มีบางขั้ลงเป็นขั้นใหญ่ ยังอย่าเปกังวลซึ่งเรต้องกังวลคือสติกรามีสติหรือไม่ตอนนี้อาเป็นตัวดัชนีว่าเราจะเข้าฌานได้เร็วหรือช้าได้ง่ายหรือยากอยู่ที่ตัวสติถ้าระมั่นดูลานสติบ่อยๆให้หนึ่งสมปะชัญญะอลูเสรกตัวตลาดเวลาใจไม่ลอยไปกับอดีตปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุทโธไม่อยู่กับร่างกายโอกาสที่จะลงเหมือนจะง่ายจะเร็ว บางทีไม่ต้องไม่ต้องตั้งท่านั่งกมม็มีอย่างพระเจ้าสมัยที่เป็นเด็กนะเพราะพระองค์วันหนั้นมีมีมีงานทำแลกนาขวันอะไรเนี่ยแล้วก็มีพวกบ่กรร า, าวสาบริวารที่เคยรับใช้พระออกต้องไปไปทําธารกิจทั้งทั้งด้านหนล่อยให้พระองค์นั่งประทับอยู่ตามลำพังอยู่ใต้โคตน้นไม้พออยู่ตามลำพังสงบกายสง บ, บวิเว้ไม่มีใครมารบกวนใจจิตมันก็เด้งเข้าชายมันไปอย่างไรไม่ต้อง ว่าอดีตชาติฉันเกิดเข้าชาณมาได้แล้วมันติดมากับใจพอบรรยากาศมันเอือ้อกายวิเวจิตก็จะเว้ยขึ้นมาทันทีแล้วคนบางคนนี้เวลานั่งสมาธินั่งเข้าฌานา ย, ยามเข้าฌานเท่ไรไม่อยอมมันไม่เข้าทันทีแต่เวลาไม่ได้นั่งสมาธิเวลาไปทําอะไรแล้วไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวกับตอนเองอยู่ทางลำทางดีๆมันก็เข้าไปก็มีนะมันก็เข้าไปได้ แต่ต้องอยู่ตามัธรรมไม่ยุ่งไม่ยุ่งเกี่ยว อ, อะไ ร, รจากพิสมพรครับหากต้องการบรรลุธรรมต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็เนี่ยนะทุงหน้ามาให้ฟังท้งธ้รมวนลนั้นเนี่ยก็ต้องปฏิบัติสมาธิให้ได้ฌานสี่แล้วก็ต้องพิจารณาตายรักในร่างกายมาเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ยอมรับได้หรือไม่ถ้ายอมรับได้ก็ไม่ทุกข์กแสดงว่าได้บรรลุธรรมถ้ายังทุกกับความแก่เจยบตายอยู่ก็แสดงว่ายังไม่บรรุธรรมคุณดาครับผู้ที่ปฏิบัติได้ถึงขั้นจตุทชาญฌานสี่แล้วไม่ต้องการขึ้นเป็นอากาสานัญจายตนะคือฌานห้าไม่ต้องการไปเป็นในอรูปฌานจะต้องทําอย่างไรครับ ก็ไม่ต้องไปก็ อ, อยู่เฉยเฉยเราไม่บริการจะไปมันก็ต้องมีการเพ่งอากาศสัญญาเนี่ยมันมีอารมณ์ใหม่ที่เราจะต้องปรัเพ่งมันขึ้นมาเนี่ยอาจจะอารมณ์ที่อากาศอากาศสัญญาเนี่ยก็ต้องเพง่งเพ่งอากาศความว่างของอากาศตัวความว่าของวิญญาณมันยังต้องทำต่อเนื่อในขั้นรูปบัญชาเราก็เพ่งที่รูปเนยรูปก็คือพวกพุโทโธพวกลมหายใจเขา้า นี่เดราเป็นูปรูปเป็นอารมณ์ที่จะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบเราถึงเรียกว่ารูปประชานเพราะว่าคำประฐานที่เราใช้เป็นเป็นรูปรูปประธรรมแต่พอเราจะเข้าไปสูอ่อารมณประชานนี้เราต้องใช้นามธรรมาคือไม่ใช่รูปปรธรรมอารูป์ก็คือนามธรรมเช่ น, าานอากาศเนี่ยอากาศเป็นความว่างมิญญาเป็นความว่างมิญญาณิ่งเหล่า น, นี้มันก็ต้องก่อตัวเป็นอารมณ์ขึ้นมา มันก็จะเข้าสู่เข้าสูใ่ในในในฌานขั้นนั้นนั้นได้แต่เราเข้าไม่ได้เลยอยากจะคิดว่าเราจะมาพูดไปตามจินตนาการนะตามที่เราพิจารณาตามความเข้าใจแต่การมนุษุธรรมนี้ไม่จาเป็นจะต้องไปสู่ขั้นอาโระฌานได้แค่ฌานสีเ่เท คุณบุญตาถามว่าเอาจิตจากตรงไหนครับตอนนี้นั่งสมาธิเหมือนกันครับหมายความว่าไงจิตเราแล้วอยู่กับจิตเราเป็นจิตจิตเป็นเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้สึกตัวว่าเราเป็นจิตเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเมื่อนั่งสมาธิแล้วจิตเราเรางจำได้ว่า เ, าเราเป็นจิตร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นผู้ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆให้กับเราคุณแว่นครับ น A, ายเอทำทานเป็นประธานกฐินบริจาคเงินสองล้านบาทนายบีถือศีลห้าหมันเจริญภาวานา น, นั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องถามว่าคนไหนได้บุญมากกว่ากันครับได้บุญคนณนอย่างนะถ้าบริจาคเันนะก็จะได้ทรัพย์เวลาจะตายไปก็ได้ไปสวรรค์นะแล้วก็เวลากรรมมนเกิดก็จะมีทรัพย์รอเราอยู่่วนอีกคนหนึ่งนักษาศีลก็ย่อมตายไปก็ไม่ไปอาบาย ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็จะเป็นมนุษย์ธรมธรมดาๆเพราะไม่มีทรัพย์สินเนาะไม่ได้รับสะสมทรัพย์สินไว้ไม่ได้ทําบุญดาทานไว้ก็จะเลยเกิดเป็นคนมนุษย์ที่ไม่มีฐานะรำ่ำรวยเป็นต้นต่างกันตรงนี้บุญคนละอย่างกันแล้วเวล า, าตายก็ไม่ได้ไปสวรรค์ถ้าเป็นการรักษาศีลได้ก็เป็นการปิดประตูาบ่ายนั่นเองถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องทําบุญด้วยรักษาศีลด้วย แต่คนที่บริาจาคเงินสองล้านแต่ไม่รักษาศีลถ้าบาปมากกว่า บ, บุญก็ไม่ได้ไปสวรรค์ต้องไปไปอบายก่อนะเช่นเงินสองล้านที่ได้มาเป็นเงินที่ขโมยเข้ามาทํำบาปด้วยทําบุญด้วยถ้าบาปมากกว่า บ, บุญเวลาตายไปบาปก็จะหนึ่งให้ไปเกิดใออนอภัยครับจะได้ไปสวรรค์ก็ต่อเมื่อบุญมีมากกว่าบาป แลวเวลากลับมาเกิดก็จะมีเงินที่เราบาิจากคทำเงินทางนี้นอนเราอยู่ข้างหน้าคือไปเกิดเป็นลูกของคนที่มีฐานะการเงินการเงินที่ดีนีมนมนมนมน่มันมันมันมีอะไรสองต่างกันนะว่ามันบุญมันข้อะหยัดนะมอนสินค้าคนละชนิดกันซื้ อ, ซ, อซื้อกระทะมาก็อามาสำลักมาม า, ม า, ม า, มาทอดไรซื้อหมาอมาก็สำลับมาต้นของต่างๆมันไม่เหมือนกันประโยชน์ก <Okay. S 1> ็ไม่เหมือนกัน คนจะทำให้มันครบจะดีกว่ามันจะได้มันจะได้ครอบท่วนมรเลยหมดถ้ารักษาศีลท้าด้วยแล้วทำบุญด้วยลายใบนี้รับประกันไปสวรรค์แน่แน่เพราะบุญเยอะมากกบ่าแล้วเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีความมั่งค้ามีเงินทองอะไรคุณเข็มจีราครับการยึดถือปฏิบัติงานในหน้าที่อาจจะมีบ้างที่ทาให้เกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกัน หาการทํางานที่ตรงไปตรงมาเป็นเหตุให้บุคคลใดได้รับความเดือดร้อนใจเช่นนี้จะเป็นบาปก่อกรรมกับผู้นั้นไหมครับก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับผู้นันไงเมื่เราไปทําอะไรที่ทําให้เขาไม่พอใจเขาไปเขาก็จะเกลียดเราเขาจะไม่ชอบนะแล้วก็มีโอกาสที่จะร้างแค้นเขาก็จะร้างแค้นเราแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวมีความเมตตามาก คือเมตตาในขณะที่ไม่เกิดทําให้เกิดความเสียหายไม่ไม่ถึงกับผิดเลยแต่ก็ไม่ถึงกับตรงเป๊ะเลยลงแบบนั้นมันทันเลยแต่ก็ไม่ผิดจาที่จะทําให้เกิดความเสียหายมันก็จะทําให้การอยู่ร่วมกันนี่อยู่ได้อย่างร่มเยนท่าสุขอะ ม, ม, มันต้องมีก็เรียกพระเดชกับพระคุณไปได้วยกันการการะทําอะไรคนอยู่มีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุฏพระเดชก็คือความถูกต้องกฎระเบียบต่างๆนี่มันต้องเป๊ะๆนี่ย แต่บางครั้งบางคราวมันอาจจะเป็นกรณีที่ยกเว้นได้แล้วก็ควรอย่า ย, ยกเว้นมากเช่นบางทีวันนั้นเขาไม่สบายแล้วลูกเขาไม่สบายเขาต้องไปสมลูกไปหาหมอมาทํางานสายหน่อยแล้วก็ต้องมีความเมตตาม้ากใช้ประกอบกันในการที่เราจะอยู่ร่วมกันทํางานร่วมกันอย่างมีค้ำพลาสบ์ไม่ใช่จะตงเป๊ะซะอย่างเดียวแล้วก็ห่างกนเดือนอะเนี่ยมาสายไปสมลูก หรือบางที่มีขาวคนงานทํางานแล้วพ่อแม่ตายขอลาขอลาไปงานศพพ่อแม่้ก็ไม่ให้ไปถ้าไปก็ให้ไล่ออกไม่ให้กลับมาทํางานอย่างนี้ใช้แต่ทูเด็กไม่มีพ่อคุณไม่มีไม่มีควา ม, มเมตตามันก็ทําให้คนที่ถือไล่ออกอาจจะเกลียดชังคนคนที่ได้ออกก็ได้เราต้องรู้จักความเหมาะสมะอยู่ร่วมกันเมตตาธรรมขัาจูนมืออันนี้สําคัญ แต่อย่าให้เมตตาทําทําให้ทุกสิ่งเสียหายก็แล้วกันคือเมตตาจนไม่มีกฎไม่มีระเบียบมันก็ไม่ดีมันต้องมีเหตุนิดหนึเมตตาได้เป็นครัง้งเป็นคราวตามโอกาสตามเหตุการไม่ใช่ปล่อยปละละอะไรก็เมตตาเมตตาไปหมดก็ใจก็เลยพังเลยครับผมมีโรคประจําตัวป่วยเป็นโรคตับแข็งครับตอนนี้รอวันตายไม่มียารักษา ต้องทําใจอย่างไรครับทุกวันนี้นอนไม่หลับครับทําใจใสงบนัองสมาธิให้ได้ฝึกสมาธิทำใจนิ่งใจสงบใจมีความสุขแล้วหลับสบายแล้วก็ยอมสอนใจว่าต้องยอมรับความจริงว่าเราทาอะไรไม่ได้มันต้องมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้คือธรรมชาติของรา่างกาทุกคนเกิดมาแล้วไม่ใช่ก็แล้วก็ต้องตางยด้วยกันไถ้าเรายอมรับได้แล้วเราทำใจให้นิ่งให้เฉยได้เราก็จะนอนหลับสบาย คุณปอครับสุดท้ายคือความว่างเปล่าทิ้งทั้งหมดในขันห้าถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับคือเร า, เร า, เ, ราเราทิ้งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆคือเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาจะเกิดจะดับเราก็ไม่เดือดร้อนแต่เราอยูยย่กับเขาได้เพราะพระเจ้าได้ปล่อยวางในตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกมันเป็นสาขามันที่ท่านตัดสรตยุธรรมอาุ สามสิบห้าปีแต่ท่านก็ยังมีข่ายท่ายังก็ยังมีลูกมีเวทนาสัญญาสังขารอยู่พแต่ว่าท่านได้ไปแบกมันไม่ไ ป, แบบไไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านอยู่กับมันได้อยู่ได้ไได้ว ย, ยการปล่อยวางถาเกิดว่ามันไปร่าการจะเจ็บก็อยู่ประมับบ น, นไปร่าการจะตายก็อยู่ประมับบ น, นไปไม่ได้ไปอยากให้มันไม่เจ็บไม่อะไรต่าง ครูบาอาจารย์ท่านบรรลุธรรมโดยการปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดญาณและฌานเป็นหลักใช่ไหมครับอยากทราบว่าท่านปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิเจริญสติบริกรรมพุทโธตลอดเวลาใช่ไหมครับหรือท่านมีการปฏิบัติที่พิเศษออกไปแล้วคาว่าสามารถปฏิบัติให้เข้าถึงฌานและญาณได้เหมือนครูบาอาจารย์ไหมครับเหมือนกันครับท่านก็เป็นคารว่าเหมือนกันแต่เมื่อาาท่านได้ลองทดลองนั่งสมาธิแล้วท่านได้สัมผัสกับความสงบ ให้ก็เลยแห่งความสําคัญของสติให้ก็เลยพยายามจลาจสติให้มีต่อเนื่องให้มีให้มากยิ่งขึ้นจนท่านสามารถเข้าฌานได้ทุกเวลาที่ท่านต้องการหลังจากนั้นท่านก็จลาจลปัญญาพิจารณาไปนะในขันห้าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงกิดแก่เจ็บตายเวทนาก็เหมือนกันเป็นขอไม่เที่ยงมีเปลี่ยนไปจากสุขเป็นทุกขจากทุกข์เป็นสุข ตนองยอมรับความเป็นจริงของขันย้ำเราไปเปลี่ยนขันไม่ได้เวลาทุกข์ไกรมาเราก็ห้ามมันไม่ได้เวลาสุขเวทนาหายไปเราก็ดึงมันกลับมาไม่ได้เราอยู่เฉยๆอยู่กับมันไปให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายให้มันแก่แก่เจ็บตายไปตามเรื่องของมันเราอย่าไปยุ่งกับกระบวนการของมันใจของเราจะไม่ทุกขทั้งนั้นหละเราก็สามารถเบรรลุธรรมได้ปฏบัติได้ แต่เบื้องต้นงานที่เราทําอย่างมากก็คือการกะรอดสติเนี่ยตัวนี้สําคัญที่สุดถ้าไม่มีสติตแล้วเป็นกระบวนการต่างๆตามมาไม่ได้ะเหมือนรถยนเนี่ยถ้าไม่มีกุญแจรถเนี่ยมันวิ่งไม่ได้ต้องมีกุญแจไปก่อนเราไปาไปขึ้นนอนล้กุญแจาหายไปไหนว่าไม่ต้องไปไหนแล้วต้องไปหากุญแจให้เจอไปอันนี้ก็เป็นการจะได้ชาญได้สมาธิก็ต้องมีสติไป เรจะไปทางปัญญาเพ่อมีสติคอยกักกับใจให้พิจารณาทำทำตายรับก่อนมันต้งมีสติเป็นผู้กํากับ ข, ขบวนกา ร, รของการปฏิบัติึังการเจริญสติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่จะเป็นอย่างมากสาหรับผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นนี้ท่านจะสอนให้เจริญสติอย่างเดียวให้มีสติอยู่กับร่างกาย ไม่ได้ทอะไรไม่ให้ทำมาให้มันผิดพลาดที่แสดงว่าเรามีเรามีสตินะถ้าทําล้วแล้วมันผิดพลาดนี่แสดงว่าเราไม่มีสติหรือทําอะไรแล้วกัดเสื่อกระทึกเครื่องกรองขึ้นมานี่ก็แปลว่าไม่มีการติดสติมั้งนะพระกรรมฐานนี่เวลาท่านมาทํากินมันเช็ดจานช็ดถ้วยช็ดล้างอะไรต่างๆให้เงียบนะไม่มีเสียงถ้ามีสติอยู่ไม่ให้มันกระทบกันไม่ให้จานช้อนมันกระทบกันไม่ส่งเสียงดังแล้วก็ไม่พูดคุยกันด้วยมีสติคอยดูอยู่กับงานที่ทำ ตลอดเวลาเคยอ่านในพระไตรปิฎกเหมือนกับที่วัดป่าเลยครับอาจารย์ที่บอกว่ามีพระอยู่ห้าร้อยรูปเหมือนกับไม่มีใครอยู่เลยครับเงียบกริบเลยใช่ไหมครับเกลดเมีวันสองวันนี่เขามาญาติยอมเห็นพระเวลาเอามาทำเกตทามาไม่คุยกันเลยไม่มองหน้าเลยไม่สนณาลาเลยโกรธกันหรือเปล่าเกตกันหรือเปล่าไม่หรอกท่กำลังจะร่าสติ มันอยู่กรงงานของท่านกวาดทั้งก็กวาดท่านเช็ดทั้งก็งเช็ดท่านทำอะไรถ้าไม่จะเช็ดไปคุยไปกวาดไปคุยไปไม่มีถ้าอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้ถูกผู้อาจารย์เห็นแล้วก็จะไล่ออกไปสอบตกไม่มีสติเพราะห่วงใจจิตมันกระโดดไปกระโดดมาครับจะทํำยังไงดีครับก็เนี่ยเราต้องฝึกสเติพุโทโธพุโทโธทั้งวัน ดูเฝ้าดงร่างกายตลอดเวลาว่าร่างกายกำลังทํำอะไรให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาอย่าให้มันกระโดดไปที่นั่นที่นี่ให้มันอยู่กับร่างกายให้มันอยู่กับพุทโธเราเก็่าอารมณ์สิ่งเหล่นี้เรียกว่ากรรมฐานอารมณ์ที่จะกเกาะใจให้นิ่งให้สงบไม่กระโดดไปกระโดดมาเอาแมวที่ไม่ใช่ของเราเช่นแมวจรไปทํำหมันอย่างนี้ผิดสีไหมครับไม่ผิดไม่ผิด ไม่ได้ทำรายครับคุณรัฐถามว่าการหวานเหรียญโปรยทานอย่างนี้ได้บุญด้วยไหมครับก็ เ, เป็นการทํา ท, ทานอนีรูปแบบนี้งก็มีพิสดารไปทันทีทนนี่เอาเงินหยิบให้ยิย้มให้กับคำยิย่มหยิบให้กับมือคนมันเยอะก็เลยขึ้นมาที่ ส, งสูงๆแล้วก็เคลื่อนลงไปในกลางอากาศมันจะไปตกที่ไหนคนที่รับก็รับไปนั่นเอง คุณโอเคถามว่าเมื่อจิตรวมแล้วให้ทรงอาการนี้ให้นานพอออกมาก็ฝึกให้จิตรวมอีกทําซ้ําไปซ้ำมาให้สม่ําเสมออย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องอย่ง้นทั้งวันทั้งคืนจิตเน่นจะเน้นจะสง บ, บตลอดเวลาออกจากสมาธินานก็จะเน้นอยู่สักพัก ห, น, าหานึ่งถ้าเริ่มหายเน้นก็เน้นกลับเข้าไปใหม่เข้าไปในสมาธิใหม่ทำอย่างนี้ไปอย้นไม่มีช่วงไหนที่จิตไม่มีที่ไม่มีความไม่มีความเครียดเลย ไม่มีความฟุง้ง่นมีสติคอยนำกลับใจมีความสบ ม, มีความเย็นความมั่งตลอดเวลาตอนนั้นหนัหนถึงเวลาที่เราจะไปฝึกวิปัสส น, นาหรือพิจารณาร่างกายนะพิจารณาตายนะตอนที่ออกจากสมาธิมา แ, แล้วทำการบ้านเลยก่อนจะทำอย่างไรให้ดีฉันลดความคิดถึงลูกที่จากไปได้ลงบ้างครับอาจารย์ ก็อยู่คิดสิใช้พุทโธพุทโธเวลาจะคิดถึงลูกกบพุทถ้าจะคิดถึงลูกอ่ะมาคิดถึงพระพุทธเจ้าแทนมาคิดถึงลูกอ่ะคิดถึงลกล้ว ม, มันเศร้ามาคิดถึงพระพุทเจ้าเนึ่งมพุทโธพุทโ ธ, โธไปพุทโธพุทโ ธ, โธทําให้ใจเย็นหายเศร้าได้คุณชาน ย, ยุทธพระอรหรันท่านสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ทุกองไหมครับตอนนี้ราก็ไม่ทราบนะ ทำไมไม่ได้เปการสํารวจเดียวหนึ่งแตเข้าไม่เข้ามันไม่สําคัญเพราะว่าถ้าเป็นพราหลานนี้ถ้าไม่ทุกกับอะไรท่านก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ไม่ต้องเข้าชายก็ได้อยู่ต้องเข้าในโลกสมาบิฏิก็ได้เพราะว่าถ้าไม่มีความทุกข์ที่เข้าเข้าไปก็เพื่อดับความทุกข์ใจเพราะสมัยนั้นเขาไม่มีปัญญาไม่รู้จักวิธีทําให้ความทุกข์ใจหายไป ในขณะที่ไม่ได้เข้าไปในสมาธิขั้น ต, ต่างๆคุณยานครับการฝึกการรู้ตัวกับการภาวนาพุทโธเป็นการทําสมาธิเหมือนกันไหมครับเป็นการเจริญสติก่อย่างช่วงที่เราไม่ได้นั่งถ้าเวลานั่งก็แปลว่ากำลังนั่งทำสมาธิแต่ก็ต้องมก็ต้องเจริญสติเพื่อให้จิตเข้าสุ ข, ขสมาธิ แต่ถ้าเราไม่นั่งนี้จิตจะไม่สงบเข้าสมาธิไม่ได้เพราะยังมีการเคลื่อนไหวใจจะนิ่งไม่ได้เพราะใจยังต้องกลับกลัร่างกายทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างถ้าอยากจะให้ใจนิ่งเข้าสมาธิต้องนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรแล้วก็มีสติกลับกลับใจให้หยุดคิดพอใจหยุดคิดได้ใจก็นิ่งสงบเข้าสมาธิไปคุณเด่นบอกว่าเราเกิดมาเพื่อจะละขันห้าใช่ไหมครับ เนืแ่แงจกว่าเรารู้หรือเปล่าเราเกิดมาเพื่ออะไรมุงคลไม่รู้ว่เาเป้าหมายหลักก็คือเราเกิดนะมาเระดับความทุกข์ใจให้หมดไปในการยจนดับความทุกข์ใจให้หมดไปได้ <c oughs> ก็กำจัดความอยากที่มีในใจที่เป็นตถถ้นเหตุของความทุกข์ทั้งนั้นหมดไปดถ้าเรากำจัดความทุกข์กะจัดความอยากต่างๆที่มีใน ใ, นใจมาให้หมดไปได้ความทุกข์ก็หายไปแล้วก็มีผลผลตามไก็คือการจะมาเกิดเขา้าใหม่อีกต่อไป วาเหที่ทำให้ามากเกิดก็คือความอยากต่างๆนี่คุณฟินดี้ครับเมื่อก่อนเวลาบริกรรมพุทโธจะรู้สึกอยู่แถวๆ ก, กลางอกแต่หลังๆบางวันรู้สึกสบายกว่าถ้าพุทโธตามลมหายใจเข้าออกที่จมูกบางวันตามที่ท้องพองยุบไม่ทราบว่าลูกปล่อยไปตามสบายแล้วแต่วันตามธรรมชาติหรือว่าต้องพยายามดึงให้จิตโฟกัสอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งทุกครั้งครับ ควาจริงไม่ต้องอะไรไม่ต้องพอกันอยู่กับจุดนั้นให้อยู่กับคําพุโทโธให้คําเดียวกพอให้อยู่กับพุโทโธไม่ให้พุโทโธไปหายไจากนนการเลื่อนเล่อนของเรานั่นเองให้อยู่พุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องไปอยู่ที่จมูกไม่ต้องอยู่ที่ท้องอยู่ที่ไหนเพราะพุโทโธมันอยู่ในใจนะเราอยู่กับพุโทโธไปก็ใจก็จะสงบได้แต่ก็แล้วแต่ แล้วก็อาจจะมีอุบายวิธีที่ต่างกันไปก็อย่าไปยึดติดกับคําที่เราพูดอันนี้ก็เป็นทางเราทางเลิกทางหนึ่งก็แล้วกันถ้ามันไม่ถูกกับจริต ก, ก็แล้วไปทําทําวิธีอุบายวิธีจุดจริต ก, ก็แล้วป้าหมายก็คือขอให้ใจเรานื่งให้ใจเราสงบไม่ให้คิดปรุงแต่งก็แล้วกัน อาจารย์ครับที่อาทิตย์ที่แล้วแจกหนังสือมีหลายคนอ่านจบแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกเลยครับแล้วบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าเป็นแรงกระตุ้นให้ฝึกปฏิบัติเข้มข้นขึ้นกั น, นะครับอาจารย์ครับทุกจ่ายินดีที่ที่ได้ให้ความกำลังใจกับทุกคนที่อ่านหนังสือบางคนบางคนก็คิดว่ามันยากมันยากเราเป็นคนธรรมดาเราจะทำได้หรือไม่ในคจริงมันไม่ได้ยากมันอยู่ที่ศรัทธามันเชื่อ มอยู่ที่ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนแล้วปฏิบัติตาม ไ, นะ ไ, ไม่ได้นั่นเองก็ง่ายไม่ฮาคุณทรญรัตน์ถามว่าแม่ค้าที่สับเปลี่ยนสินค้าที่ลูกค้าเลือกไว้แล้วโดยการเปลี่ยนเอาของที่ไม่ดีไปให้จะได้รับกรรมแบบไหนครับก็โกงอ่ะชอบโกงก็แบบรักครับเอาของที่ถูกปากมาให้เวลาขายเวลาที่ลูกค้าเลือกก็เป็นของที่แพงกว่า น่าพอเอาของส่งให้เขาก็ส่งขอ ง, ของที่มันถูกกว่าก็เหมือนกับอาจารักทรัพย์อีกทีนี่อธิ น, นาสังฆทานใส่บาทออนไลน์ถึงญาติที่ล่วงลับแล้วถ้าเราไม่มีเวลาเลยอย่างนี้ได้บุญถึงไหมครับถึงได้เพรอเราโอนเงินไปให้ไหมครับเราก็สามารถชดบุญได้เลยว่าหน้าที่ของเร า, เราทำสำเร็จแนละ้วคือเรา น่าจะโอนเงินไปนะทำทานไปนะส่วนแม่ค้าก็จะเอาทำเอาข้าวเอาข้าวใสาบ่บาให้เราเลยไม่ไม่ไม่เป็นประเด็นสำคัญถ mm hmm. ้าอาจะคิดโกงเราก็ได้ถ้าเขาคิดโกงก็ไม่ใสบ่บาให้ mm hmm. เขาก็ล้วก็ผิดในข้อฐานชอบโกงรักษราบอีกหมึ่ง้นครับคุณอูดอ๊ดครับนั่งสมาธิเปิด ฟังไปด้วยเปิดเสียงฟังไปด้วยรู้สึกจิตนิ่งเข้าสมาธิง่ายขึ้นถือว่าผิดไหมครับไม่ผิดครับบางทีเราต้องอาศัยอารมณ์ที่เราที่เหมือนที่มันกอกใจนะบางทีเรายังไม่มีกําลังที่จะพุทโธพุทโธนั่นคือลหายใจการฟังมันง่ายกว่าเราฟังไปให้มีสติอยู่การฟังมันก็ทําให้ใจเราสงบได้นะครับอาจจะสงบมากนิดน้อยนี้ไม่ไม่แน่ใจนะจจะไม่สงบเท่ากับการที่เราดูลมหายใจเข้า คุณคุณพัสอนครับปฏิบัติสีห้าทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นถวายเพลทำบุญบ้างนั่งสมาธิจิตยังฟุ้งซ่านและคิดเยอะอยู่แต่ว่าระหว่างวันทำงานรู้สึกตัวจะพุดโทพยายามดูใจตัวเองครับก็ดนีอย่างน้อยก็ได้สติบื้ต้นคือได้ไปสวรรค์ถ้ทาำทา ำ, ท า, ำ า, าุญทำทานรักษาสี่ห้าได้แต่ยังไปถึงพรหมโลกไม่ได้ังไปพรหมโลกก็เข้าเข้าสมาธิเข้าฌา แล้วถ้าอยากจะไปไปเป็นบบนัลี้หาบุคคลก็ต้องเจริญวิปัสสนาพิจารณาไตรับศีลแปดที่พระอาจารย์แนะนำช่วยให้ผมทำสมาธิดีขึ้นมากเลยครับพระอาจารย์เพราะว่ามีสติระหว่างวันมากขึ้นครับอเธอะพระเจ้าท่าบอกว่าศีลเป็นเครื่องเป็นผู้สนับสนุนให้สมาธิกัดขึ้นได้ง่ายห้เนี้มีประ้สชนมาก และการสมาธิก็จะสับสนนปัญญาให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆให้มีอนนีน้สมูมากปัญญาก็จะสนับสนุนจิตให้หลุดพ้นจากทุกโดยถ่ายเดียวทำทําเรื่องไปขั้นบรนไดที่สนับสนุนกันขั้นขัๆสิ่ลสนับสนุนสมาธิสมาธิสนับสนุนปัญญาปัญญาสนับสนุนมิมุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ของจิตคุณเข็มจีลาครับ ถ้าตัดถนาว่าไม่อยากมาเกิดอีกแล้วแต่ในขณะที่ยังต้องใช้ชีวิตปูทุชนทำงานหาเลี้ยงชีพเลี้ยงดูลูกดูแลพ่อแม่วนเวียนไปแต่ละวันแต่ละวันจะหลุดพ้นจากการมาเกิดอีกได้อย่างไรครับก็ต้องรอให้ให้าหน้าที่ของทีมดูแลเขาให้หมดไปก่อนแล้วเราไปมีเวลาน่าที่เราจะมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเราก็จะหลุดพ้นได้ เคยไปปฏิบัติคนเดียวในบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่ามีการรับรู้ถึงพลังงานแปลกปลอมมาและรู้สึกอึดอัดมากถ้าต้องประสบแบบนี้อีกควรทาอย่างไรครับท ำ, ทำใจให้สงบพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับพลังงานต่างๆที่เข้ามาอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไป อาจารดาวถามว่าสังคทานในถังเหลืองมีแต่ของด้อยคุณภาพพระใช้ไม่ได้เลยแบบนี้เนี่ยคนขายบาปไหมครับไม่บาปเขาก็ทำมาเขา ก, เขาก็เขาก็ไม่ได้หลอกเรลยของที่เขาซื้อมามันจะขายราคาเท่าไหล่ก็เป็นเสร็จของเขาสีนข้อห้าข้อสุราถ้ากินเป็นยาจะเข้าขายผิดไหมครับ ไม่เอ็นหออกเพราะว่ามันเป็นอันตรายมากเฮนยาไม่ควรถ้าถ้าเด็กชราแนละ้วมัญยาจะทำให้เรากิดอาการมึนมาเราไม่สามารถควบคุมการกระทําทางกายทางวาจาใจได้ก็าอาจจะไปทำผิดสิได้ง่ายๆท่าหนึ่งข้าไม่ให้เด็กชราเท่านี้การเด็ น, นชราเพราะมันเป็นยา น, นี่ก็แล้วแต่จะตีความหมายนยาแบบนะั้นคนยาแบบกินนี้เป็นสองสามแก้วถึงไม่อันนี้ก็ไม่ใช่ยาแล้ว เราเป็นส่วนผสมของยาสูตรยาก็ามีให้ใ ส, ส่ใส่โซดาไปช้อนนึงอะไรย่างเงี้ยมันก็พอจะรับได้แต่ถ้าแบบยาดองเนี่ยต้องกินทั้งแกวคุณสิริครับหนูไม่สามารถหลุดจากความทุกข์ได้เลยครับอ่าเกิดได้ทุกที่จากสถาบันทางการเงินที่ประเทศไทยความยุติธรรมแก่หนูหนูอยู่ต่างประเทศครับเพราะเราอยากได้เงินคืนให้ เขาปล่อยเขาเอาไปที่ก็ไม่ใช่เงินของเราแล้วเดินหายไปแล้วเงินใช้หนี้ต่อไปเราก็จะหายทุกถ้าเราอยากจะได้คืนอยู่เราก็จะทุกข์ไปจนเงินจะวันตายพรกความอยากเนี่ยอยากได้เงินคืนเงินได้สิ่งที่เราสูญเสียสิ่งที่เราลราชอบไปแต่การสูญเสียการท้ทาาจากสิ่งที่เราราชอบไปการสูญเสียการท้าทาจากสิ่งที่เราเล่เป็นเรื่องธรรมดาเปนเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นครับทุกคนไม่ชช่ก็แล้วถ้าช้าที่สุดก็คือเวลาตาย เนือตาแล้วก็พัดาอดใจึุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยครับคุณราตรีครับถ้าเราพูดมุสาแต่คำพูดเราไม่มีผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างนี้ถือว่าผิดศีลไหมครับมันก็ยังผิดเดยอะนะครับ ไ, ไม่พูดคำจริงก็ยังผิดเดยอะครับนักวการพระอาจารย์ครับอยากสอบถามว่าหนูเห็นชาวต่างชาติไปฟังธรรมที่หน้ากุฏิหากวันหยุดเสราร์อาทิตย์ หนูอยากขอไปช่วยเป็นล่ามจิตอาสา yeah. ให้ชาวต่างชาติชาวจี น, จนด้วยได้ไหมครับคือเราก็ไม่มีนโยบายที่จะให้ใครมาทำเรื่องราวเหล่านี้นะคือเชิญไปให้คนนี้มานี่มานั่งฟังเทศสัทธรรมอย่างเดียวซึ่งชาวต่างชาติเรากอยข้องฉลาดเขาเปิด Google ทางเสียงได้เขาฟังเสียงไปแล้ว l e วกิลแปลเป็นภาษาของเศาแล้วเขาก็อ่านไปในขณะที่เขาฟังธรรมด้วยมีชา ทางแคนดาเขาก็เคยทําเขามาฟังธรรมนะเขาก็ใช้ก o เกิลทรานส์เนททางอินโดนีเซียเขาก็ใช้ Google Trans ์เนทคําราฟังได้เขาเข้าใจว่าเรามาพูดอะไรอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้บุคคล น, นั้นบุคคลที่คคนนมาทําหน้าที่นั้นเ ร, เราไม่อยากจะยุ่งกับบุคคลมากเกินไปอยากให้บุคคลมาเพื่อปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมดีกว่ให้มาทํางานอย่างอืงอ่นนี่เราเราไม่อยากจะส่งเสริมอป็นกาส่งเสริมเรื่องการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเท่านั้น เพราะงานไหนมันไม่สําคัญเท่าการศึกษาของการปฏิบัติธรรมบางคนมาฟังเสียงเฉยๆนะครับอาจารย์มันรบูชาเทศชาวต่างชาติาก็ฟังเสียงเดียวเลยใช่ไหมครับแลเวลาหลวงหลวงปู่ท่านเทศเสร็จก็จะมีพระชาตต่างประเทศรับว่าอูโสที่เข้าใจภาษาไทยอจาจะอธิบายโดยสรุปโดยย่อวงตาเทศรงง ป, ประมาณชั่วโมงก็จะจบประมาณทั้งสิ้นทีโอครับผม อาจเะเนื้อประเด็นสําคัญสําคัญออกมาประเด็ที่เป็ี่ยนยากันจะไม่ได้ออกมาเวลามีทุกข์ไม่สามารถปฏิบัติทําได้ขอความรู้จากพระอาจารย์ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ทุกข์ไปเลยนะมันปฏิบัติทําไม่ได้ก็ต้องทุกข์ไปจังการวันยาหายเองเหมือนจะเนื้อเงยเดี๋ยวทุกข์มันก็หายไปจะได้ว้องกลับมาใหม่ อย่างคนที่ยั่งยืนหมดที่ไม่ปฏิบัติธรรมเขาเจอความทุกข์ก็หาวิธีระบายความทุกข์ด้วยวิธีต่างๆไปเทียมม่ยว้างไปเล่นเก ม, มา้างไปยุ่งยังฟั้งเพล์มากไ้งเพย์การลโอเคมาก <c oughs> อันนี้ก็เป็นวิธีดับความทุกข์ของคนที่ไม่มีธรรมะแต่ไม่ใช่เป็นวิธีดับที่ยัมียืนถาวรดับได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ความทุกข์ก็กลับมาใหม่เรืลยเพถ้าจะทําให้มันหายอย่างยั่งยืนถาวรก็ไม่ปฏิบัติธรรมจะดีกว่า คุณนิจจรีครับต้องไปนอนที่อื่นที่โรงแรมต่างจังหวัดครับอย่างนี้ควรแผ่เมตตาเช่นไรครับไม่ต้องแผ่ไม่เลยต้องแผ่ตรงไหนเลยเป็นใจข้าโรงแรมมากันยคุณเองก็อยู่ได้ทำไมาเราต้องเราทำไมจะไปอยู่ไม่ได้เราคิดมากไปผีจริงไม่หรอกผีเราไม่จริงครับ <c oughs> ผีจริงที่เป็นดวงวิญญาณคนที่ตายไปแล้วเข้ามาหลอกเราเราให้เสียเวลา เขาไปผุดไปเกิดกันาวแล้วไอ้ที่ผีไม่ผีไม่ผีไม่จริงก็คือผีที่เราปูุงแต่งขึ้นมาในใจเราเนี่ยเขาะอยู่ที่ไหนคนเดียวโอ้ยผีมาละได้ยินเสียงก็ผีมาละเห็นอะไรมากๆก็ผีมาละนี่เราเป็นการหลอกตัวเราเองผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงถ้าเราไปหาหมอโดยใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของเราเอง แต่เราเอาอยาไปให้แม่ที่ป่วยเพราะเราไม่มีเงินรักษาเองแต่ใช้สิทธิ์ที่เรามีที่สํานักงานให้สิทธิ์พนัก ง, งานทุกคนแต่เราไม่ได้ป่วยจริงแบบนี้โกหกบาปไหมครับก็มันก็โกหกมันก็มันก็ผิดข้ระเบียบของเขามันก็ถือว่าผิดนะแต่การเอาเอาอยาที่เราได้มามาให้รักษาแม่มันก็เป็นบุญองอะมันก็ได้ทั้งสองกระทงได้ทั้งบาปได้ทั้งบุญ บาปก็คือหลับรวมเสียซ่านแล้วก็ได้บุญก็คือเอาเอายาที่เราได้มานี้ไปรักษาแม่มันก็ได้บุญด้วยได้บาปด้วยทั้งสองอย่ า, างเท่านี้ดีก็ลองคุยกับหัวหน้าเราดูว่าขอเบิกยาให้กับแม่โดยที่ให้สิทธิ์ต่อได้กไหมในที่จะดีค่ะถ้าเขาเอาไม่เป็นไรครับแม่ลูกเหมือนคนคนเดียวกันก็โอเคก็จบ อยู่คนเดียวแล้วเหงาครับโดดเดี่ยวพยายามฝึกจิตแต่ก็อยากมีแฟนด้วยครับทํำยังไงดีครับรรก็ต้องเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอยากจะมีแฟนมันก็จะต้องหาแฟนอยู่เรื่อยพอแฟนคนนี้จากกันไปก็ต้องหาแฟนใหม่อยู่เรื่อยเวลาไม่มีแฟนก็ยังเหงาแต่ถ้าเราฝึกปฏิบัติทําได้เราก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่เหง า, าไม่ต้องมีแฟนก็แล้วแต่เรื่องนี้เราทํำไง คุณวัสนาครับฟังธรรมกับพระอาจารย์เข้าใจง่ายรู้สึกเหมือนว่ามรคนิพพานอยู่ใกล้ๆจะจับได้จะเอามาคลองได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยแต่พอเลิกประชุมเหมือนเดินทางสะลัวชนโน้นนี้จิตเจออะไรก็ไหวตามฟังสดชื่นใจดีกว่าฟังเทศครับและถ้าไปฟังอาจารย์ที่วัดที่ท่านเทศบาลีด้วยแล้วยิ่งงงเลยครับรู้สึกว่านิพพานเป็นเรื่องยาก การได้ถึงพระโสดาบันจะรู้สึกอัศาจรรย์ใจแบบไม่เคยรู้สึกในชีวิตและมันคงในสี่ห้ากระผมเข้าใจถูกไหมครับถูกดังคุณเด่นถามว่าพระอรหันต์ที่สำเร็จแล้วท่านไม่ต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วใช่ไหมครับคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมนี้มันก็มีสองสองประโยชน์บางตอนก็นั่งสมาธิ เงินจงคงเพื่อดับกิเลสพอดับกิเลสแล้วแล้วก็ยังท่านก็ยังสามารถนั่งสมาธิเดินจงคงได้เนการพักผ่อนจิตใจเป็นการเรียกวิหารธรรมของพระพระ อ, าารอ่านก็ยังเดินจงคงนั่งสมาธิแต่ท่านไ้นํงางหรือเดินจงคงเพื่อดับกิเลสก็ไม่มีกิเลสให้ดับกลายเป็นเหมือนยายาที่ตอนต้นเรากินรักษาโรคโรคภัยหายหมดแล้วลองกินยาอีกชนิดหนึง่งก็คือกินยาวิตามินกินยาบำรุงได้ เนี้กันพี่ปูเป้นะครับอาจารย์บอกว่าฟังธทรรมและปฏิบัติกับพระอาจารย์เหมือนเป็นนักศึกษาและดูผลของการปฏิบัติจากทุกกายตนแต่ใจไม่ทุกไม่รู้ว่าจบชั้นไหนแต่จากรับประทานยาประจำกลายเป็นเฉยๆกับร่างกายไม่ได้ทานยาเลยครับพ่อลูกทะเลาะกันพ่อลั่นปืนฆ่าลูก อดีตชาติทั้งสองคนเคยทํากรรมอะไรไว้ไหมครับไม่ใช่ไม่มีอะไรรอกใช่ไม่จำเป็นจะต้องรู้เรืรรรรร่องราวพวกนี้เรื่องของบันเทิไม่จำเป็นรู้รู้ให้รู้เรื่องของเราว่าทุกเกิดจากอะไรเราจะเดาความทุกได้อย่างไรท่านให้ครอบครองเวลาที่เดินจงกรมเรามีสติภาวนา พุโทโธขาขวาขาซ้ายที่ก้าวไปแต่บางครั้งก็ไปรับรู้ลมอานาปานาสติที่จมูกควรแก้อย่างไรครับถ่าคนให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานนถ้าให้อยู่กับลมไม่อยู่กับลมไปอย่างเดียวแสดงว่าสติเรายังไม่ไม่แข็งแรงพอที่จะควบคุมจิตแม่มันวิ่งไปวิ่งมายูยางย่งพยายามคุณอมอนรัตครับฟังธรรม ในยูและปฏิบัติธรรมเองอยู่ที่บ้านรักษาศีห5านั่งสมาธิมีความสงบจิตเย็นสบายแต่จิตออกจากลมดึงเข้าออกไปดึงเข้าถ้าช่วงไหนอยู่ในลมได้นานสักหน่อยก็จะรู้สึกเหมือนมีดวงจันทร์เล็กๆสองสว่างตรงหน้าผากแวบไปแวบมาแบบนี้คือมาถูกทางไหมครับคือถ้าถูกทางมันต้องไม่มีอะไรปรากฏให้เราเห็นจนวงมิจอะไรพวนี้ อาจจะเป็นผลข้างเคียงที่อาจจะได้รับจากการปฏิบัติก็ได้แต่เป้าหมายเรากก็คือเราต้องการใจให้นิ่งให้ว่างให้เย็นให้สงบให้มีความสุขให้มีอุเบกขาถ้ายัางไปไม่ถึงจุดได้ก็พยายามมีสติอยู่กับวงไม่อยู่กับพุทโทธต่อไปอย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาคุณเด่นคอมเมนต์บอกว่าฟังธรรมกับพระ อ, อาจารย์บ่อยๆเริ่มไม่ค่อยตื่นเต้นกับอะไรเหมือนได้รู้ความจริงครับ นจริงๆมันไม่มีอะไรมันเป็นแค่ดินน้ําลมไฟเดี๋ยวธรรมชาติมันมันมันบ่งต่งได้มาหลอกเราว่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แท้จริงมันก็เป็นแค่ดินน้าลมไฟอยากกนะ็มาจากดินน้าลมไฟและในที่สุดก็กับคืนสื่ดินน้ำลมไฟ โดยมากคนต้องได้อุเบกขาแล้วจึงควรไปพิสูจนท้าตายในป่าจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นโสดาบันหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้ากรณีผมไม่ใช่โสดาบันแน่นอนการไปท้าตายในป่าควรทำไหมครับจะมีประโยชน์อะไรไหมครับถ้าผมไปอยู่ในเสนาสนะป่าตอนนี้ถ้าเราก็ภูมใจไม่น่าจะไปสียวล า, าไปมันก็จะไม่อยู่อยู่ดีเพราะมันกลัวมันเลยขอกลับบ้านก็มีคนบางคนที่มาขอปฏิบัติทาบุญขาว แต่พออยู่จะพอเมื่อค่ำหน่อยสองท่มขอขอลากลับบ้านนะหมอไม่อยู่ไม่ไหวนะมีอะไรแตกต่างมาสร้างความกลัวให้เข า, า่ากมันอยู่ที่ว่าเรามีกําลังที่จะอยู่นั่นได้สู้กับความกลัวของเราได้อย่างนี้ไเพอะความกลัวมันเกิดจากความคิดปูดแตงเราเองพราะข้างบนมันไม่มีอะไรไม่ว่าจะที่ไหนมันไม่มีอะไรที่ไหนเขาก็เป็นต้องอย่างนั้นครับแต่เราไปคิดปูดแต่งว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมามทําให้เกิดความกลัวอยา่างกระทั่ง ไม่มีความสุขนี่แต่ความทุกข์ไมทนอยู่ไม่ได้ให้คนเร า, ลากลับบ้านดีกว่าครับอาจารย์ครับเห็นการเกิดดับภายนอกแต่ไม่เคยรับรู้หรือเห็นการเกิดดับภายในครับต้องทําอย่างไรครับเบื้องต้นเราก็ต้องปล่อยวางภายนอกให้ได้ก่อนเราถึงจะเข้าไปในได้ในการจะเห็นภายในแล้วแล้วเข้าสมาธิให้ได้หน่ยเราจะเขาไม่เข้าสมาธิไม่ได้อาจารย์จะไม่เห็นภายใน ใช่ใช่ถูกสอบอภัยภายนอกให้ไปเห็นรูปเสียกลิ่นเราแด้เห็นสิ่งต่างๆผ่านทางกยนตนะี้ถ้าจะเห็นภายในเราต้องทําจิตให้รวมเป็นสมาธิให้ได้ก่อนถึงสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่มีภายในใจของเราได้ขณะที่เรานั่งว่างๆเราจะชอบคิดเรื่องไตรลักบ่อยๆโดยจิตจะคิดขึ้นมาเองแบบนี้ถือว่าเป็นการทําวิปัสสนาไหมครับ มันก็ทํเาเป็นเรื่องเป็นราวตายรักแบบไหนตายรักกับอะไรนไม่ใช่ตายล้ตายตายรักแบบเรื่องเปลื่ยไปมันก็ต้องไปเจอเป็นเรื่องๆไปเราทุกกับเรื่องอะไรเราก็ต้องไปจาร่างกันให้เห็นว่าเป็นตายรักก็ปล่อยวางให้ได้เพื่อดับความทุกข์แค่เราเร า, า, าเราทุกกับร่างกายของเรานทุกกับความเจ็บไข้เรื่องปวดเราต้องไปจาร่างความเจ็บไข้เรื่ร ว, ยวยมันเป็นเป็นสิ่งที่ร่างกายเกลี่ยง่ า, ายหรือไม่ไ เราเลี้ยงไม่ได้ไมันต้องมันตายนะมันต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราก็อยากไปอยากให้มันไม่แก่เจ็บตายเท่านั้นเองมันก็จะได้ไม่ทุกข์ไปมันกพิจารณาแบบนี้เปน็นเรื่องพิจารณาเพืให้ดับความทุกข์ให้ได้คุณนัทชัยครับถ้าอยากได้อิทธิฤทธิปาฏิหารจะบาปไหมครับไม่บาปแต่มันไม่ใช่เป็นทางสูตรพระนิพพาน มันเป็นทางที่ทําให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิอยู่เร่การปฏิบัติ ท, ทําให้ใจเบาสบายโล่งว่างต้องฝึกอะไรต่อไปไหมครับส่วนตัวพอจะได้จุดนี้แล้วครับเอาละท้ายมันจานาให้มั น, น, น เ, เป็นไปทั้งวันนั้นเคยนไม่ให้มันวุ่วายกับเรื่องราวต่างๆเมื่อค่ปสู่ขั้ น, นปัญญ า, าต่อไป เวาจะราหุดมาเราแทนนี่จะใช้สมาธิหยุดมันใช้สติหยุดมันเราก็ชมาใช้ปัญญาแทนถ้าใช้ปัญญาหยุดมันได้มันก็จะหยุดได้อย่างถาวมรมถ้าใช้สติไม่ใช้สมาธิมันจะหยุดได้เป็นชั่วคราวเป็นทับพักไปแต่มันจะไม่มไมหายไปอย่างถาวมรมเดินจงกรมให้ได้สามชั่วโมงต่อวันต้องเดินติดกันเลยไหมครับถ้าเหนื่อยพักแล้วมาเดินต่อได้อีกไหมครับ ว่าแล่วแต่เราไม่แต่เราจะรับเราดำเนินต่อหน้าก็แสดงความเพียรเราความเดชเรามีมากมีความอดทนมากมีความเพียรมากมากกว่าตอนที่เราเดินทีละขั้นจะบอกแล้วก็พักนลก็กับมาเดินกำลังมนันตัดเวลาที่ลูกมีความทุกข์แม่ก็ทุกข์ด้วยควรจะวางใจอย่างไรครับเพราะเรายากแย่กันเลยมาก เราไม่ไดเป็นเขาเขาไม่ได้เป็นนราแะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเราก็ห้ามไม่ได้อยาก็จะไม่ถูกที่เราถือว่าเราไปอยากให้เขาไม่ไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่เขาก็เป็นหรืออะไรทุกขขึ้นมาปะเราก็อยู่ที่ความอยากของเราใช่ไหมต้องหยุดความอยากที่อยจะไปอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราปล่อยก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ถูกเขาไปแตเราไม่จะไม่ถูก คุณเล็กครับตอนนี้กเกษียณแล้วไปปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆ อ, อยู่บ้านมีเวลาว่างมากอยู่ก็ฟังธรรมบ้างอ่านประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้างอยากจะนั่งภาวนาให้มากขึ้นแต่คนที่บ้านเปิดทีวีเสียงดังบางครั้งเหมือนนั่งดูทีวีด้วยแต่ก็ใส่หูฟังเพื่อฟังธรรมอยู่กับพุทโธทําแบบนี้จะทําให้เกิดความก้าวหน้าในการภาวนามากน้อยแค่ไหนครับบางครั้งอยากเรียนอภิธรรมด้วยครับ มันก็แล้วแต่เราทำงานแรกอยู่ที่การปฏิบัติของเราว่า เ, เราสามารถที่จะดึงใจให้เข้าสมาธิได้หรือไม่มมเห็นแต่จิตที่ไม่ดีของตัวเองเห็นความยึดติดความกลัวความอยากแล้วสงสารตัวเองเกิดมามีแต่ความทุกข์ทุกกายทุกใจจึงไม่อยากเกิดอีกแล้วครับก็ต้องสร้างเครื่องมือเพื่อหยุดการเกิด วัฒาานธรรมศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการหยุดการเกิดเวลาที่เราเดินจงกรมไม่ควรบริกรรมพุทโธเพราะพระพุทธเจ้าเป็นของสูงอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์ครับไม่จริงครับไม่จริงฉะนั้นรบริกรรมได้ทุกพุทธาทุกสถานที่แม้แต่เก้าหน้นก็บริกรรมได้ในการปฏิบัติธรรม โยมขอบอยขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ในการปฏิบัติธรรมช่วงเดือนมิถุนายนคุณแม่ได้หลับสบายในวันศุกร์ได้รับแจ้งให้เลือกออกจากการทํางานมีผลปลายปีตอนนี้อยู่คนเดียวควรปฏิบัติธรรมจเจริญภาวนาเพื่อจเจริญในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องต่อไปได้อย่างไรครับก็ต้องไปศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมนะถ้าจะให้บุญแบบโยมก็คือ เรจะปฏิบัติทำเรื่องต่าก็ต้องฝึกสติก่อนต้องมีสติคอยคกำกับควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งจันอยู่คําบรำอาไรก็รกพุทโธพุทโธเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจหยุดคิดแล้วรอเวลาร่างก็นั่งสมาธิแล้วก็ใช้พุทโธต่อบจนกว่าจิต จ, จะสงบเนื่องเป็นสมาี่ขึ้นมาอันนี้คุยง่า ย, ายๆนะแต่การจะปฏิบัติให้ผลเนี่ย จ, จะเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ ทำให้ทำอย่างนี้ให้ได้ก่อนจันทร์สติกันนั่งสมาธิให้ได้ก่อนเวลาที่ประสบเหตุใจจะบอกว่าอนิจจังความไม่แน่นอนคือความแน่นอนถือว่าจิตได้เรียนรู้หรือเปล่าครับก็อยู่ที่ว่าจิตเอาทุกข์เราไม่ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์ก็ได้เรียนรู้ถ้ายังทุกอยู่ก็แสว่ายังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่เข้าถึงจิตอยู่ภายน้กอยู่ คุณตุ้มครับบอกว่าแม่ป่วยอยู่ในไอซแม่เป็นคนถือศีลแต่กรรมครั้งนี้หนักในฐานะลูกสามารถที่จะมอบบุญให้เจ้ากรรมของแม่ได้ไหมครับไม่ได้หรอกบุญใครของบุญมันหนักบุญต่างสร้างบุญสร้างกรรมมาต้องมาผู้รับผลบุญของขอ ง, ของการละกันเองเวลาที่นั่งสมาธิแล้วง่วงนอนควรแก้อย่างไรครับลุกขึ้นมาเรียน เป็นแม่ค้าสั่งให้เขาทำปลาเป็นจริงให้มาขายยำปลาดุกฟูแบบนี้จะบาปไหมครับถ้ า, าไปสั่งให้เ ข, ขาฆาก็บาปคุณดาราครับร้านสามขวบครับเป็นมะเร็งสมองรู้สึกสงสารเวทนาเขามากเพราะเขาต้องนอนติดเตียงใส่ท่อช่วยหายใจต้องทำใจอย่างไรคิดถึงผ้าตอนเขาปกติกับตอนป่วยสลับกันไปมาตลอดครับ ก็เรีกว่าเป็นกรรมของเขาแล้วกันอนดีตแต่ใช่เขาอาจจะไปทำกรรมไม่ดีมาวันนี้ก็เลยต้องรับผลของกับที่เขาทำเลยนิดว่าเป็นเรื่องเพราะธรรมดาของคนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาด้วยกันทุกคนก็ได้ไม่มีใครยกเว้นเราก็จะ้เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นไม่เหมือนกันก็ได้แต่ก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน ทำไมพระโสดาบันผู้ตกกระแสจึงสามารถเข้าสู่พันิช์พันได้ในที่สุดโดยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ครับเพราะท่านรูน้ทางนะท่านมีแผนที่นะอริยรรสัจสี่อ็มือที่กําจัดความทุกข์ต่างๆที่ท่านยังไม่ได้กำจัดท่านก็จะใช้อริยสัจสีนี้เป็นเครื่องมือในการกําจัดความอยากที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้กำจัดคุณชนรดาครับ กำลังแพนิกหนังสือเปิดใจเปิดธรรมส่งญาติธรรมที่ขอมาทางเพจหนูจะตั้งสติรู้ตัวตลอดครับอ๋อเป็นคนส่งกลับอาจารย์คงจะเยอะผมจะส่งไม่ทันเนี่ยเก้าน่าจะเก้าร้ยกว่าชุดครับอาจารย์ครับใจเย็นๆค่อยๆส่งไปมีสติอยู่กับงานที่เราทําทำดีครับทำเตะขั้นเตะตอนไปอย่าไปคิดถึงผลรุ่มภาพใหญ่ ทำหนมีเท่าไหร่ก็ไม่สาคัญแล้วก็ต้องทําให้ทีละเล่นเหมือนทีละเล่นแล้วก็ทำมะเรื่อยๆเล่นๆเล่นๆมาเรื่อยกย่อมันจะบอกครับทําอย่างไรจึงจะควบคุมกิเลสในเรื่องของการอยากทานอาหารได้ครับยิ่งช่วงที่ผู้หญิงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงยิ่งอยากกินอาหารมากกว่าปกติมันเป็นเรื่องของร่างกายที่กระทบถึงใจหรือเปล่าครับแล้วจะทำอย่างไรดีครับ ก็มีวิธีเนี่ยแต่มันจะทําได้หรือไหมเรื่องแให้ดูกระบวนการกระทั่งเดินของอาหารที่เรากินตั้งแต่ที่อยู่ในจานเข้าไปในปากมูฟิลมภาพต่างๆมันนมันเข้าไปในปากเราเคี้ยวมันประสมน้ำลายมันห น, น้าตามันเป็นยังไงเป็นเข้าไปในท้องมันเป็นยังไงเข้าไปในลําไส้แล้วเป็นยังไงออกมาจากทวารหนักแล้เป็นยังไงให้ดูอย่างนี้แล้มันก็จะคามอยากจะกินอาหารก่จะลดน้อยลงได้ เราเฉพาะดูที่ทางออกของมาันอันดีที่สุดอย่าไปดูอาหารตอนที่มันเข้าไปอย่าไปดูตอนที่มันอยู่ในจานเห็นไะอินทรียจานแล้วน้าลายจะไหลแต่ดูตอนที่มันเสร็จสิ้นการเดินทางของมันมันไปอยู่ในอยู่ในช่วงอยู่ในถช่วงเวลาถ่ายเราเราถ่ายรูปมันดูบ้างเวลากินถ่ายรูปกันเ็กกัเล่นถ้าไมเวลาถ่ายไม่ไม่ไมลาถ่ายออกมาทำไมไม่ถ่ายไว้เก็บไว้เป็นที่เราเลกเมื่อ วันนี้นะคือหาที่อะไรหลายๆที่เราจ่ายเลยเมืล่ละสามพันห้าพันตอนนี้มันเป็นภาพอย่างนี้แหละครับ<ต>ไี่กินภาพน<ง>ี้ได้กินไม่ลงไลไม่อยากจะกินเลยครับคุณประชาครับถ้าต้องการศึกษาธรรมะให้ละเอียดถูกต้องควรอ่านพระไตรปิฎกไหมครับพระไตรปิฎกมันเป็นเหมือนกับว่า ต้องอเนี่ยเล่นใหญ่มากมีหลายเรื่องด้วยกันซึ่งถ้าเราเป็นผู้เริ่มตอนนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าควรอ่าเนเล่นไหนก่อนต้องอ่านตรงไหนก่อนฉะนั้นส่วนอยากจะมีพระสมมองเจ้าที่ท่านทันเลืองพรตรปิฎกออกมาสแสดงเป็นเรื่องๆไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ดีกว่าจะได้กว่าแต่ถ้าอยากจะศึกษาพระไตรปิฎกทั้งทั้งทั้งทั้งเล่นอะไรก็ถ้าทําได้ บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิเดินจงกรมอธิษฐานส่งให้คุณยายคุณตาที่ตายไปแล้วได้ไหมครับคือมันไม่ได้มันไม่ไเกิดขึ้น ไ, ได้ง่ายในใๆนะเพราะก่อจะได้บุญเหล่านี้มาก จ, จะใช้เวลาเป็นสิบปียี่สิบปีอะไรอะไรอย่างอื่นที่บุญเราใส่บาตรที่บาตรเราทวงให้เงินให้กับวัดให้กับโรงเรียนนี่บาบุญเกิดขึ้นทันทีบุญเกิดขึ้นอยากทานนี้เกิดขึ้นได้ทันที พอเราทำทานจิตปุ๊บบุญก็เกิดขึ้นเลยแถ้าเรามานั่งสมาธิจิตยังไม่นวนเป็นสมาธิมันไม่นด้เกิดบุญนะคุณใจบอกว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงมีเรื่องเล่าอาจารย์ยอดเล่าว่าหลวงปู่แหวนโดนผีเข้าจริงไหมครับอาจารย์ไม่ใชบเหมือนกันนแล้วหลวงปู่แหวนก็มันไม่ทราบความหมายว่าผีเข้าเป็นยัง ถ้าเราจะมีวิญญาณเข้ามาติดต่อกับท่านก็ไนดน้อ น, นี้จาอาจจะเป็นผีเข้าอย่างถ้าไม่ใช่แบบว่าีเข้าทําให้กายเป็นคนมาคนเสียจติตไปคงจะไม่มีเวลาที่ปวดหัวจากงานพอมานั่งฟังรายการคําสอนพระอาจารย์ทําให้หัวปวดเบาลงโดยไม่ต้องทานยาอันนี้เป็นเพราะอะไรครับเพราะเราลํานับเหตุที่ทําให้เราปรวดหัวหนนคือความคิดท่องร่านต่างๆนี่วันนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวใหญ่ พอเรามาหยุดคิดมาฟังธรรมะฟังธรรมะธรรมะเป็นเรื่องเย็นเร่งสงบ ม, มันก็เลยทำให้ใจเราสงบความทุกข์สร้างความปวดหัวก็เลยหายไปอายุเยอะมีความกังวลเรื่องเงินไม่พอใช้เนื่องจากหยุดทํางานแล้วมีเงินเก็บอยู่หนึ่งก้อนแต่ปฏิบัติกับใจอย่างไรให้หายทุกข์ครับก็พยายามอย่าไปใช้เงิน ใช้เงินให้นที่สุดใช้เงินท่งที่จําเป็นใช้กับปัจจัยสี่ส่วอย่างอื่นที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปใช้ถ้าอยากจะมีความสุขอย่าใช้เงินซื้อความสุขไปฝึกสมาธินั่นทําใจให้สงบให้มีความสุขจากการปฏิบัติธรรมดีกว่าเราจะมีเงินเหลือเยอะอย่างเราตอนเริ่มต้นเนี่ยเราปฏิบัติธรรมไม่อประวั 6, 000, น, นะละหกพันนั่งอ่าก็คำนวณแล้วน่าจะอยู่ได้ทักปีเนึ่ยแต่พอถึงเวลาจริงๆกับใช้ไม่หมดนะ ยังม่เหลือไว้สำหรับจ่ายค่าบุญได้ด้วยคุณสุธารัตน์ครับขอเล่นถามพระอยู่ที่วัดจะย้ายออกจากวัดมีความไม่พอใจเอาแต่ใจขนของพระพุทธ ร, รูปเครื่องมือก่อสร้างอีกหลายอย่างจะผิดไหมครับคิดมาขนตอนไหนก็ได้ตอนกลางคืนก็ขนครับ มันก็เป็นเรื่องของวัดกับเจ้าอาวาสเขาจะพิจารณาผิดถูกยังไงถ้าเป็นของส่วนตัวเขาก็เอาไปได้ถ้าเป็นของวัดเ็เอาไปไม่ได้คุณกล้องบอกพระอาจารย์พูดภาษาอังกฤษเก่งมากครับผมประทับใจมากๆเมนไอเดียล้วนๆผมติดตามพระอาจารย์มาจากคลิปตอนคำถามฝรั่ง If you have one house you have just one house to worry about but if you have two houses you double the worry ครับ <laughs> ตอนนี้ผมได้ฟังครับอาจารย์ครับ <laughs> คุณกระตูนครับสวดมนต์แค่วันละสามนาทีไม่ได้นั่งสมาธิถือศีลห้ามาเป็นระยะเวลาเกือบสองปีพุทโทรบ้างดูลมหายใจเข้าออกบ้างพิจารณาความตายบ่อยมากแบบนี้ถูกต้องไหมครับ ก็ทำน้อยแหละก็ไม่ก็ไม่ผิดนะถทำทำถูกแต่ทำน้อยทำนี่นเหมือนกับกินข้าววันละช้อนเดียวเมืม่อไหร่มันจะอิ่มนะถ้ากินข้าววันเพลงวันละช้อนเดียวครับบอกว่าวันนี้ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติไว้ครับกำหนดต้องไปวันนี้แต่มีอาการไอเลยไม่ไปมานั่งฟังเทศน์นี้แทน บุญเกิดเหมือนกันไหมครับบุญก็อยู่ที่ความใจกษาดูที่ความสุกใจว่าเกิดหรือไม่เกิดมีทุก์จากการป่วยของแม่ที่เกิดกับลูกเห็นแล้วเป็นภาพจําทรมานใจลูกฝึกจิตดูให้เป็นธรรมดาทำไม่ได้ครับจิตหลงไปครับมันหยุดคิดก่อนตรงนี้ชั้นั่งมีสมาธิถึงจะทำใจง่าย ต้องการสมาธิทำใจให้ไม่เบิกขาแลว้วจะทําใจได้ไม่แน่ใจว่าท่านเดิมถามหรือว่าท่านใหม่ครับอาจารย์ครับบอกว่าอายุเยอะไม่มีงานทํามีเงินเก็บอยู่บางส่วนแต่มีความกังวลในอนาคตกลัวเงินหมดก่อนตายจะปฏิบัติใจยังไงให้หายทุกครับก็เท่างไงก็ต้องตา ย, ยานี่ดีถ้ามันเงินหมดจะต้องอมดตายก็เถอว่าก็เป็นวิธีตายของเราก็แล้วกนนั่นแหละหายก่อน บานทีตายก่อนเงินหมดก็ได้บางทีเงินมวดก่อนตายก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องทําใจคุณเดชาครับอาจารย์บอกว่าเกิดมารูปหล่อทํําทาบุญอะไรมาครับก็ <laughs> ทําบุญเยอะทำบุญทำความดีเยอะอันนี้สมองเวลาเกิดนะคนที่หน้าตาดีครับเพราะว่าทําบุญไว้เยอะ นมามอากายก็จะมีรูปหน้าหน้าตาเป็นความผ่องใสสวยงามมีอาการกค้งสาสองต้องไม่ทำบาปนะต้องไม่ทาบาปนะเพราะถ้าทำบาปแล้วมันก็จะทำให้การงานยากจนงานแคนมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงอายุสั้นต้นมารที่มีตัวตนไม่มีไหมครับมารจะสัมผัสจากกลิ่นอะไรทำนองนี้ ท่านเคยได้ยินไหมครับถ้าเป็นคําถามที่ท่านไม่อาจตอบก็ขออาภัยครับอาจารย์หมาดมานม่โตัวตอนไม่มีนะมันเป็นอา ก, การของจิตอย่างที่เกิขึ้นในใจ ท, ที่ทําให้เรารู้สึกทุกข์ขึ้นมาเราก็เรยกว่มากทําไมในสมัยพุทธกาลถึงมีคนบรรลุอรหันต์เร็วครับเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าแสดงธรรม แลคนในสมัยโบราณจะมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบนุษยธรรมมากกสมัยปัจจุบันสมัยโบราณเขาไม่มีเครื่องรอดใจรอดกิเลสเยอะเหมือนกับสมัยนี้สมัยนี้เลือกเสียงกินรถมีเต็มไปหมดสามารถเสร็จได้ตลอด่4ชั่วโมงสมัยโบราณนี้มันไฟฟ้าตรงไหนมีอะไรก็ไม่มีเงินมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมได้มากกว่าสมัยนี้ การถวายดอกไม้สวยงามหอมหอมชาติหน้าจะสวยได้ไหมครับอาจารย์มันก็มีโอกาสเพราะว่าเป็นการทำบุญทำทานอย่างไี้คุณสุธารัตน์ครับลูกที่ด่าว่าแม่กูมึงขมขู่แม่อยากได้แต่เงินอยากให้แม่ตายอยากทราบว่าเขาจะมาบาปมากไหมครับมันก็เป็น ความบาดกระตามอยู่ทนำะไมการมาเคลื่อนที่ไม่ดีต่อไปตัวให้ก็จะต้องถูกลูกเขาด่านกะันมันคงกับคงเ ก, กวียนถ้ามาคลไหวเนี่ยก็ต้องถูกกับคํัมาทันกับตัวเองงั้นอย่าทำเลยค่ะทำแต่สิ่งที่ดีค่ะเมื่สิ่งที่ดีก็กจะกลับมาหาเราขอถามพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่ากินข้าวช้อนเดียวเมื่อสักครู่นี้ต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะดีขึ้นกว่า ขึ้นครับก็ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นอย่านั่งสมาธิสักสิบห้านาทีหรือชั่วโมงหนึ่งได้ขึ้นไปเรื่อยๆจก่อนจะนั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเป้าหมาย ห, หลักของการปฏิบัติที่เราสามารถปฏิบตัตินั่งสมาธิเดินโยกงเพียงอย่างเดียวได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องทําอะไรอย่างอืง่นเลยบนสวรรค์มีการปฏิบัติทำไหมครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตของรูคนั้นมีมีธรรมจิตตัวไปหรือไม่ถ้าเป็นพระสดาบันเนี่ยเขาจะปฏิบัติธรรมต่อได้เพราะว่าธรรมจากมันนั่นนะสติปัญญามันนั่นนะไม่ว่ามันจะอยู่ในภพใดชาติไหมันก็จะมีสติปัญญาคอยพิจารณาหาหาเหตุที่ทําให้ใจทุกข์้นถ้ามีทุกข์เกิดขึ้นมันก็จะปัญญาได้ทํางานทันที แต่ถ้ามันไม่มีทุกข์มันก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติเช่นสวรรค์มันอาจจะมีในความสุขก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติแค่ได้ต้องมีคนมากระตุน้นมีคนมาสอนเช่นพระพุทธเจ้าไปสอนพวกเทวดาให้กําจัดความทุกข์ที่เกิดเกิกกจดจากความอยากที่กำลังเสริอยู่ก็ยังพวกเทวดายังยังตื่นอยู่กับรูปสิ่งกินรสต่างๆก็สอนให้เขาละรูปสิ่งกินรสอันนี้ก็สามารถปฏิบัติได้ มันก็เปลี่ยสภาพจากเทวดาให้เป็นพรบึ้ง ม, มาแต่ถ้าไม่มีใครสอนมันก็จะมันก็จะถ้าไม่มีทุกข์มันก็จะไม่เหมือนก็จะไม่มีการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์มันก็จะเสพสุขไปรเรื่อยๆจนกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลัมมาเกิดเป็นมนุษย์เดี่ยจะเจอทุกข์แลทีนี้ต้องใช้ปัญญาแล้วต้องพิจารณาต้องปฏิบัติทำนมเพื่อจะหลับความทุกข์นั่น คุณสินดี้ครับหากดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่เต็มที่เท่าที่ไหวตามหน้าที่ด้วยความรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้มีความสุขหรือปลื้มปริ่มอะไรรูกได้บุญบ้างไหมครับใช่คุณสุดทางรักบอกว่าอ่านประวัติพระอาจารย์แล้วมีความรู้สึกว่าทึ่งมากครับพระอาจารย์สู้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กมีความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตมากครับ ความจริงมันก็ไม่ได้มีควา ม, มุมาจจ่งมั่นในใจนะมันก็ไปตามกระแสตามเหตุการณ์นะเหตุการมีอะไรแล้ ว, ลวก็ปรับตัวเราให้อยู่กับเหตุการณ์นั้นไปได้ไม่รู้สึกว่ามันยุ่งยากยนะไม่เคยบน่นไม่เคยเครียดมันทุกข์ไม่เป็นยังไงมีความสุขตะละ่ตะลอดตลอดครับทุกขั้ตอนเป็นเพราะว่าสันโดษใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันคงจะเป็ น, ย น, นะ อ, ย น, นอย่างนั้นฮะยินดีตามมีตามเกิดอย่างนั้นใจก็ไม่มีความโลภความอยากมากนะ ค, คุณประชาครับตัวเราควรจะพยายามปฏิบัติธรรมแบบหนึ่งให้เชี่ยวชาญหรือพยายามเปลี่ยนวิธีปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆค้นหาวิธีที่ถูกกับนิสัยครับก็ต้องใ ห, ให้ได้วิธีที่ถูกให้วิธีนี้ไม่ถูกมันก็ไม่เกิดผล คุณฟ้าบอกว่าเกิดมาไม่เคยมีแฟนทั้งที่หน้าตาดีการงานก็ดีมีผมวิหารสีไม่เคยดื่มสุราอายุ45แล้วคือค อ, อะไรครับอาจารย์ก็คือจิตอาจารย์เคยปฏิบัติในธรรมะ ม, มาในอดีตชาติก็คือไม่ยินดีกับการเสพนุ่งเสืข ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก, กินน้ำต่างๆอาจจะเคยถือศีลแปดมาเคยเข้าวาัดเคยบวชีมาก็ได้เป็นพิกสุนีมาก่อนก็ได้มันก็จะเป็นวิสัยหล่านี้มา องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติอย่างไรจัดการอย่างไรเมื่อเกิดสถานการณ์อนิจจังและอนัตตาครับไม่ก็ออกบวชนะเนี่ยพราะท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายไม่ก็รู้ว่าต้องไปปฏิบัติธรรมเนาะต้องไปบวชเป็นเป็นนักบวชนะเพราะถ้าอยู่ในวงังก็ไม่มีไม่มีใครรู้จักวิวธีปฏิบัติอนิจจังว่าทําย่งไรดีก็เลยต้องไปบวชไปบวชแล้วก็ได้ไปศึกษาวิธี ในการรักษาศีลวยการเข้าสมาธิไปแต่ยังไม่มีใครรู้วิธีของปัญญาไม่ไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไนต้องค้นคว้าด้วยตนเองจกระทังค้นพบวิธีปฏิบัติกับความทุกข์ด้วยอันนี้ด้วยด้วยด้วยการใช้ปัญญาให้เห็นกฎของใครับให้ยอมรับกฎของใยนั้นกใจเราจะไม่ทุกข์ กาบเรียนสอบถามครับจะคําสอนการฟังเทศฟังธรรมเป็นอย่างหนึ่งในการสะสมอริยทรัพย์ให้ตนเองอริยทรัพย์จากคาสอนในที่นี้หมายถึงความรู้ที่ได้ทางธรรมใช่ไหมครับก็การศึกษานี้ก็เป็นคู้ต่เป็นคำรูปแบบเป็นแผนที่ยังไม่ได้เจอของจริง <S <S ขั้นต่อไปเราต้องเอาไปปฏิบัติเราถึงจได้ไปเจอของจริงมนก็เราได้แผนที่มาแล้วเราก็าาต้องออกเดินทาง ถ้าเราอยากจะไม่ว่าเราจะเดินทางไปพิศนุโลกนี้ไปได้อย่างไรจำเทปเราก็เปิดแผนที่นึงเขาบอกให้วิ่งตามตามสายนี้สายนั้นเราก็วิ่งไปเราก็ต้องออกเดินทางไปตามแผนที่เราก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้ยิง่งการศึกษาทําอย่างเดียวยังไม่พอศึกษาแล้วต้องนำเอาไปปฏิบัติต่อถึงจะทํ า, าให้เราได้ได้ได้ผลคือการหลุดพ้นจากหวามทุกข์ การเห็นความคิดอยู่ตลอดเวลาที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดและเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราใช้เขาขั้นต่อไปต้องทําอย่างไรครับก็ต้องแยกเนี้ยความคิดเป็นความคิดที่ที่สร้างความทุกข์กับความคิดที่ดับความทุกข์ถ้ามีแต่ความคิดที่สร้างแต่ความทุกข์เราก็ต้องหยุดมันน้หาความทุกข์ความคิดที่มจะดับความทุกข์ได้ความคิดที่จะดับความทุกข์ได้ความคิดที่เกี่ยวกับไตรลักษณ์อันนี้จับทุกข์กับอนัตตา ถามเรียนพระอาจารย์ครับในช่วงที่พระภิสุสง์กำลังแสดงธรรมโยมนั่งสมาธิไปด้วยในระหว่างนั้นได้ยินเสียงพระแสดงธรรมตลอดเวลาได้ฟังได้สับเป็นช่วงๆบางช่วงได้ยินเสียงตลอดแต่จิตไม่จดจ่อกับคําเทศรับรู้เพียงว่ามีเสียงพูดแบบนี้ควรปรับแก้ไขยอย่างไรบ้างครับก็ <c oughs> อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรการทำเทศนี้ก็ต้องหมายถึงก็คือเพื่อต้องการความรู้เพราะเทศนี้เป็นคําสรรอนข อ, องพระพุทธเจ้า ใหรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างแต่ถ้าเราฟังเราเราฟังไปเพื่อที่จะทําทใจให้สงบโดยที่ไม่สนใจว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นเป็นอย่างไรสอนเราอย่างไรมันก็เป็นการฟังเพื่อให้ใจสงบก็แล้วแต่เราจะเลือกเราเราจะฟังแบบไหนถ้าอยากจะฟังถ้าอยากจะนั่งเราทำใจให้สงบ ด, ด้วยการ ดูลมหายใจหรือพุโทโธนี่เราก็ไม่ต้องฟังธรัมหรือว่าถ้าเราต้องการใช้แสงเสียงธรรมเป็นเป็นอารมณ์แล้วก็ฟังธรรมไปแต่เราอาจจะไม่ต้องพิจารณาต่างก็ได้ฟังไปไปเหมือนพุโทโธไปในใจของเราเราก็จะได้ความสงบเหมือนกันการสวดมนต์ภาวนาจะช่วยให้คนที่นอนเจ็บป่วยให้มีอาการดีขึ้นได้หรือไม่ครับถ้าคนเจ็บป่วย ส่วนเองก็อาจจะทําให้จิตสงบจิตหายเคยรียดโรคที่อาจจะเกิดจากความเครียกกนจะเบาบางลงได้เหมือนกันใช้บริการพุทโธในชีวิตประจําสลับกับการดูร่างกายเคลื่อนไหวได้ไหมครับเวลานั่งดูท้องของยุคครับได้ได้แล้วแต่เราให้มีวิธีใดวิธีหนึ่งคอยกลั บ, ลบใจผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆ ปัจจุบันปลาที่ตลาดมักเป็นปลาที่เลี้ยงไว้ถ้าซื้อปลาในตลาดไปปล่อยจะบาปไหมครับเพราะปลาที่ปล่อยในคลองอาจจะหากินเองลําบากครับไม่บาปหรอได้บุญอนื่องจาปลาเขาจะช่วยตัวเขาเองได้หรือไม่นี่นก็เป็นเรื่องบุญกรรมของเขาแต่ส่วนใหญ่สัต์มันก็จะต้องดิ้นหรหานะเรื่องเชื่ของมันไปเองอมันได้หนระือเอาไปถูกค่า ขอปัญญาพระอาจารย์ครับแนะนำเรื่องที่ควรจะสวดมนต์แบบบทสวดมนต์แปลเช่นเป็นบทไหนบ้างที่เป็นสวดมนต์แปลพอดีเมื่อตอนบ่ายฟังธรรมได้กลาบขอปัญญาจากพระอาจารย์เรื่องอานิสงค์ของการสวดบทธรรมจักไปครับก็นอจาจกธรรมจักนันก็มีสติปัฏฐานสวดมงคลลสดแล้วก็มีอธิตยะบาลีอธิตตบายาญสุนอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการแสดงว่าโลกสิ่งกินนั้เป็นเหมือนไฟ แลก็อนัตลักะสุลแสดงว่าขันทาเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนนี่คือสูตรท่าสูตรในการที่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการการเรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้หยุดทุนจากความทุกข์ได้นีธรรมจักปรปวตนลักษณะสุสติปัฏฐานสุลมงคลสุลอาทิตตปาลี ย, ายาสัสษุแลก็อนัตตลักณะสุอนัตตกะสอยู่าสุ ฮะครับเออห้ า, หาหมด้วยกันเป็นวิธีที่เราจะใช้เจริญปัญญากันดิฉันฝึกปฏิบัติมาหลายสิบปีไปหลายแห่งแต่ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างหากเมื่อสี่ปีก่อนมีเคราะห์กรรมเรียงเข้าหาทีละเรื่องได้พบกับวิธีของพระอาจารย์สุชาติทำให้ตาสว่างได้เหมือนที่ปฏิบัติมาไม่เจอของจริงมาเจอของจริงตอนพบพระอาจารย์พอดี แต่ดิฉันมีความเพียรมากฟังพระอาจารย์ทุกช่องทางทั้งวันอังคารพุธและวันอาทิตย์ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปแม้จะเจออะไรหนักอีกก็พอมีสติประคองครับกัขบขอพระคุณพระอาจารย์นะครับยิน ด, ด, ดีด้วยนะเธอขอให้หนุนพ้นจากคามเจ็ไวๆนะคุณสิรีวิทย์ครับพระอาจารย์อยู่บนเขารูปเดียวโดยไม่มีไฟฟ้าใช้พระอาจารย์ไม่เหงาหรือครับและพระอาจารย์ยังอ่านธรรมะบนเขาอีกไหมครับ เดนี้ไม่ได้อยู่บนเก่าแล้วี๋ยวนี้ยกลงไปอยู่ข้างล่างเพราะเดี๋ยวนี้ต้องทํางานเผยแผ่ธรรมะส่วนใหญ่ต้องใช้เครื่องคอมใช้แสงสว่างในสมัยที่ไม่ได้ทํางานเผยแผ่ธรรมะข้าพุทธเจ้ากันนอนเดินยังคงนั่งสมาธิติดถึงเวลานานก็นอนทีไงตื่นก็ตื่นขึ้นมาส่วนหนังสือทำงานไมันก็ได้อ่านนะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยจำเป็นจะต้องอ่านนะพอที่รู้ทางแล้วน็เลยไม่ต้องอ่านให้เสียเวลา รบควรสอบถามพระอาจารย์ครับคนที่เชื่อเรื่องทรงเจ้าเราควรจะแนะนําเขาอย่างไรดีครับก็อย่าไปแนะนำเขาเลยทนะั้งที่เราปรึกษากับเรากอา็อย่าเสียเวลา <c oughs> ถ้าเราแนะนำก็บอกไปเรื่องเพื่อเชื่อไป <c oughs> เอาของจริงคือเรื่องบอกว่ามันดับความทุกข์ไม่ได้นะจริงๆดับความทุกข์จะได้คือการปฏิบัติธรรมนะ เคยนั่งสมาธิแบบไม่กระดิกตัวเลยประมาณสองถึงสี่ชั่วโมงปวดมากๆแต่จิตไม่สงบเลยจนลมในตัวหมุนพัดขึ้นไปบนกลางกระหม่อมแบบนี้ได้บุญบ้างหรือเปล่าครับก็ได้น้อยมันได้ความเพียรได้ความอดทนแ ต, แต่ไม่ได้ความสงบเพราะเราไม่ได้ใช้สติถ้าจะนั่งต้องนั่งแบบมีสติให้มีสติกำกับใจให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับพุโทโธแห้อยู่กับลมหายใจเขาออ้า แล้วจิตจะสงบแล้วจะไม่ปวดไหมร่างกายจะไม่ปวดมากคำถามสุดท้ายครับพอาจารย์ครับจิตอยากเข้าสมาธิตลอดอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับก็มันอยู่ที่ว่ามีส ต, ติหรือไม่ถ้าอยากอย่างเดียวแล้วไม่มีส ต, ติก็เข้าไม่ได้อยู่นี้ต้องฝึกส ต, ติด้วยมีความอยากจะเข้าสมาธิแล้วก็ต้องบริจาคสติให้มากมากแล้วนั่งสมาธิให้บ่อย แล้วโอกาสที่จะเข้าเข้าสมัครที่ก็จะก็จะเกลขึ้นมาได้นี้คำถามเข้ามาเยอะมากเลยครับอาจารย์ตอบไม่ทันครับโอบกาสนะครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ในเฟซ484ในยู570ในขับ9ในติ๊กต็อก401รวมกัน 1,464 ท่านนะครับอ่านคำถามแรกเวลา20นาิา13นาที วันนี้พระอาจารย์ตอบไป99คำถามครับผมก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาน้อมสมมนาธรรมกันหวังว่าคงจะได้แสงสว่าแห่ ง, ง, รงธรรมในเ่้งนำทางมาพาชีวิตแท้ไปสู่ที่ดีที่ชอบต่อไปการแสดงธรรมและการแจริญธรรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมครวรกันแล้วก็ขอให้ท่านตรงนั้เราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจพิจารณาไปปฏิบัติกพื่อวามสุขควาเจ ร, ริญ ก้าวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุแล้วตอบไปนียก็ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันลีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าเวลาไหนะผมจะเลื่อนพอกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับ